คร้ๆวงดนตรีลุกซ really ุ่งเนาะไหนๆเจอหน้าเก่าๆเป็นมากความจริงพวกเราไม่ต้องมาฟังหลวงพ่อก็ได้นะพูดแต่ละวันเหมือนๆกันเพราะธรรมะจริงๆก็ของเก่าเมื่อคนก็สงสัยเคยมีคนบ่นกับหลวงพ่อนะว่าฟังหลวงพ่อเมื่อห้าปีก่อน มาปังปีนี้ก็ยังพูดเหมือนเดิมอีกจริงๆธรรมะมันธรรมะของเก่าเนี่ยหลวงปู่เทศท่านว่าอย่างนั้นนะถ้ากิเลสมันก็ของเก่าธรรมะก็ของเก่านั่นแหละอของมีมาแต่ดั้งเดิมธรรมะไม่ใช่ของใหม่ๆอะไรก <นะ S 1> ิเลสก็ของเก่านะราคาตัวตามโมหะครอบงำตัดโลกอยู่ครอบงำอยู่อย่างนี้แหละเวลากิเลสจะหลอกเราก็หลอกซ้ําๆซักซัก เราก็ถูกหลอกตําตากอยู่อย่างนั้นแล้วก็มาเรียนธรรมะธรรมะก็มีสองข้างข้างที่เป็นกูศนกับข้างที่เป็นอกูศลก็ลศึกษากูศนและอกูศนเนี่ยอยู่ที่ใจเรานี่เองดงั้นถ้าคนไหนสามารถปฏิบัติธรรมนะสามารถมีสติรู้เข้ามาถึงจิตถึงใจตัวเองเราจะได้เห็นธรรมะทั้งสองข้าง ธรรมะที่เป็นกุศลกับธรรมะที่เป็นอาคุศลส่วนใหญ่จิตของพวกเราอกคุศลจะเกิดมากกุศลจะเกิดน้อยอันนี้เป็นธรรมชาตินะธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านถึงสอนบอกว่ามนุษย์ส่วนมากพอตายแล้วจะไปอาบายคนส่วนใหญ่ตายแล้วจะไปอาบายเพราะอาคุศลมันมากกุศลไม่ค่อยมีโดยเฉพาะกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาเนี่ย ถ้าไม่ได้ฟังธรรของพระพุทธเจ้าแล้วมันไม่มีอย่างจริงๆมันมีแต่โลกิยะกุศลกุศลธรรมดาธรรมดาภาเราเวียนตายเวียนเกิดไปในภพภูมิที่ดีมีความสุขเกิดกุศลที่จะประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญาเนี่ยต้องมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาถึงจะมีการอบรมสั่งสอนกันสําหรับอกุศลนั้นก็มีลองโลกอยู่แล้วนะรอหัวใจสัตว์ทั้งหลาย ถ้าเรารู้ทันจิดแล้วก็เป็นปู่โสมที่ประกอบด้วยปัญญาถ้าเรารู้ไม่ทันรู้ไม่ทันจิตก็เป็นอกปู่โสมหลวงปู่ดูลเคยหลวงปู่ดูลท่านไม่ดับหลวงปู่ดูลท่านเคยสอนอวันนี้มีมีอุปสรรคนิดหน่อยนะธรรมดาชีวิตกับอุปสรรคเป็นของคู่กันนะชีวิตกับปัญหาเป็นของคู่กัน อัลโหลฮัลโหลอืมสงสัยมันไม่ชอบเปลี่ยงหลวงพ่อเพคนอื่นเขโหลๆแล้วมันชับนะหลงพ่อพูดแล้วมันไม่ยอมให้พูดธรรมะหายไปหลายกรรมละเพาะธรรมะนะหลวงพ่อเวลาพูดธรรมะเนี่ยพูดออกมาจากใจจิตใจมันแสดงคำออกมากระทบปั๊บเลก็เปลี่ยนเรื่องไปละ การปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่ยากเย็นอะไรธรรมะแท้ๆอยู่ที่ใจเรานี่แหละกุศลก็อยู่ที่ใจอคุศนก็อยู่ที่ใ จ, ก, ใจการเรียนธรรมะเราก็มีเป็นขั้นๆไปเบื้องต้นเราก็เรียนเพื่อจะละอคุสน์กลัมาก็เรียนเพื่อจะเรียนกุศลขึ้นมาแต่ขั้นสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่เรียนเพื่ออคุสนเราจะเรียนจนกระทั่งมันเกิดกุศลปีนะมันเหนือดีเหนือชัว่ว ตรงเดี๋ดีเนือชั่วเนี่ยไม่ใช่ทําให้เราเป็นชั่วได้นะดียังไม่เอาเลยอย่าบ้าต่จะเอาชั่วเลยนั้นธรรมะจริงๆเนี่ยเราฝึกไ ป, ไปเป็นลําดับๆเบื้องต้นรักษาสีไว้ก่อนมีสีห้าอย่างต่อไม่ทําชั่วต่อมาเราก็มาหัดทาความดีมทําทานซื้อศีลอัดทาความงสงบจิตใจจิตใจของคนเรามีแต่ความเร่าร้อนฟุ้งต้านฟุ้งต้า น, านจะเร็ แล้วก็มาฝึกให้มันสงบนี้ถ้าเราฝึกอยู่แค่ความสุขความสงบเดียวยังไม่พ อ, อยังไม่ได้ประโยชน์จากศาสนาพุทธเต็มที่ศา ส, สนาพุทธนี่ไม่ได้สอนแค่นี้ท่นสอนถึงธรรมชาติจะเรียกว่าธรรมชาติก็ไม่ถูกมันคือธรรมะท่านสอนถึงธรรมะที่มันเหนือดีเหนือชัว่วนี่จิตใจของเราก็มีคุณสมบัติพอ มีคุณภาพพอมันถึงเห็นได้จิตใจของเรามีคุณภาพระดับไหนเราก็เห็นธรรมะระดับนั้นถ้าจิตใจของเราไม่ดีขุ่นมัวสังเกตไหมวันไหนจิตใจเราขุ่นมัวโลกทั้งโลกจะขุ่นมัวไปหมดวันไหนจิตใจเราเบิกบานแจ่มใสไนะโลกนี้เบิกบานแจในใ่มใสไปกับเราด้วยถ้าวันใดใจของเราพ้นจากความปลุกแต่งเราจะเห็นธรรมที่พ้นความปลุกแต่ง มีวิธีปฏิบัติทำเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อความคนทุกข์เราก็ได้เจ้าสอนเรื่องความคนทุกข์เอะไรแท้จริงแล้วทุกคนปาสนาความคนทุกข์สัตว์เล็กสัตน้อยอะไรก็อยากคนทุกข์เหมือนกันหมดทุกตัวมีวิธีหาความคนทุกข์ของคนทั่วทั่วไปหรือของสัตว์ทั้งหลายก็คือหาอารมณ์ที่เพื่อสืินพอใจถ้าได้อารมณ์ที่พอใจมาได้อยู่ได้กินนะได้สื่อพันได้อะไรอย่างนี้มีความสุข ความสุขอย่างโลกโลกความสุขอย่างนี ja jas, Chinese, ้เอาแน่นอนไม่ได้เป็นความสุขที่อาศัยสิ่งอื่นอาศัยคนอื่นความสุขของเราเอาไปปากไปกับคนอื่นเช่นเราต้องอยู่กับคนนี้เราถึงจะมีความสุขถ้าเราตัดท่าจากคนนี้เราไม่มีความสุขนี่เราไม่ได้พึ่งตัวเองต้องรอเขาต้องชักต้องอาศัยสิ่งภายนอกมาความสุขก็แบบพึ่งพาสิ่งภายนอกเอาแน่นอนไม่ได้ พวกเราผู้มีสติปัญญามากขึ้นเราก็มาหาความสุขด้วยการฝึกจิตฝึกใจของเราพวกชาวัดทั้งหลายมาฝึกจิตฝึกใจให้มีความสุขให้มีความสงบนี่จิตใจนี่เป็นของไม่แน่นอนจิตใจเป็นของไม่เที่ยงวันนี้เราฝึกไว้สงบนะพรุ่งนี้มันก็ปูตาลละอียดดการหาความสุขด้วยการฝึกจิตฝึกใจให้มันสุขให้มันสงบมันก็เป็นของชั่วคราวเหมือนกัน ฝึกสงกมากๆก็ไปเป็นระลมนะอีงจุดหนึ่งก็ตายลงมาเกิดอีกระลมส่วนมากก็ตายแล้วไปอาบายอีกอะอะไรๆก็ไปอาบายไปส่วนมากเพราะว่ากีดมันเยอะอีกพวกหนึ่งเห็นว่าลําทางการฝึกจิตฝึกใจให้ดีให้สุขให้สงบเนี่ยยังไม่แน่นอนพอมีสิ่งมากระทบมันก็ระเรื่องขึ้นมา อันนี้กระทบขึ้นมาก็ยินดีอันนี้กระทบขึ้นมายินร้ายต้องคอยรักษาจิตใจเรื่อยๆไปเป็นภาระพวกหนึ่งก็หลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์ด้วยการเข้าฌานนะเพ่งเพ่งเข้าไปในความว่างในช่องว่างหลายคนชอบทำกรรมฐานไปเพ่งช่องว่างพอเพ่งไปเพ่งไปจิตเข้าไปสู่อรูปฌานไม่มีใครเข้าไปกระทบได้แต่ก็เหมือนนิ่งๆอยู่ไม่กระเทือนแต่ความนานๆไปก็เสื่อมออกไป ระเถือนอีกเนี่ยธรรมชาติทั้งหลายคนทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายก็วิ่งวนเวียนหาความสุขวิ่งวนเวียนหนีความสุขด้ ว, วยนน ว, วิธีแค่นี้เองหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจหรือรักษากายรักษาใจให้เรียบร้อยหรือหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์ทำได้สามแบบรักเง่าของความปรุงแต่งสามแบบนี้อันเดียวกันคือความเห็นผิดว่ามันมีตัวเรา เรารู้สึกว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวเราเราก็อยากให้มันมีความสุขอยากให้มันคทนสุขแล้วก็ดิ้นรนไปตามสติตามปัญญาของแต่ละคนสะแสวงหาแต่ความสุขพระพุทธเจ้าท่านฉลาดแหลมคมสร้างบารมีทดลองมานานลองผิดลองถูกมานานท่านก็พบว่าวิธีสามวิธีนี้ยังใช้ไม่ได้ได้ชั่วคราวท่านพบว่าความทุกขเนี่ยมันอยู่ที่กายกับใจ ท่านเลหันมาเรียนรู้กายรู้ใจเรียนลงมาที่กายเรียนลงมาที่ใจวันใดแจ่มแจ้งขึ้นมากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ตัวเราหรอกถ้าวันใดขืนใจขืนใจให้กับโลกได้จิตใจนี้จะเป็นอิสระขึ้นมาเอาเนี้ยจิตจะไม่หลงความปรุงแต่งทั้งสามแบบแล้วจิตที่พ้นจาความปรุงแต่งนั้นแหละเป็นจิตที่มีความสุขที่สุดจิตที่ไม่พ้นความปรุงแต่งดูทุกวันนี้เราต้องดิ้นเล่าไปเรื่อยๆนะ ตื่นตู้ลน่นตู้ลอยหาความสุขแล้วมันหาไม่ได้ความสุขมันวิ่งหนีไปอยู่ข้างหน้าตลอดเวลาวิ่งตามมันทั้งชีวิตก็หามันไม่ได้ใจเราดิ้นไปด้วยแต่ถ้าเราย้อนเข้ามาเรียนรู้เข้ามาวันใดเห็นว่าจิตใจนี้กระทั่งจิตใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราปล่อยวางความยึดถือจิตยึดถือใจได้ความพ้นทุกข์มันจะเกิดจริงๆนะมันเราจะสัมผัสเหตอิสรภาพที่แท้จริงมีความสุขที่สุด นการปฏิบัติเนี่ยเบื้องต้นให้คอยรู้กายให้คอยรู้ใจอย่างที่มันเป็นอย่างที่มันเป็นนะเพราะอะไรเพราะเราต้องการรู้ความจริงของกายของใจความจริงของกายของใจคือกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราต้องการให้เห็นความจริงไม่ใช่ต้องการให้กายนี้ใจนี้มีความสุขไม่ได้ต้องการความสุขไม่ได้ต้องการความสงบไม่ได้ต้องการความดีนะครความสุขไม่เที่ยงความสงบไม่เที่ยงความดีไม่เที่ยง สิ่งที่เราต้องการในการปฏิบัติจริงๆเราต้องการความเข้าใจต้องการปัญญาต้องการความรู้ความเข้าใจความเป็นจริงของกายขาองใจเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าสอนบอกว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยการศีนด้วยอะไรอย่างนั้นนะด้วยสมาธิาอะไรไม่บริสุทธิ์จริงบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อให้มีความสุขไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาความสงบ ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาความดีแต่ปฏิบัติเพื่อให้เห็นความจริงของชีวิตคําว่าพุทธะพุทธะนั่นแหละคือการที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาพุทธะตัวจริงก็คือตัวปัญญาสัมมาทิฏฐิตัวความจริงนั่นเองศาสนาพุทธก็เรียนเรื่องความจริงของชีวิตของสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเรียนรู้ลงไปเข้าใจความจริงแต่จะหมดความยิดถือเพความจริงก็คื อ, คา ก, คอกายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ ใจนี้ใจนี้เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้ฟังเหมือนยากนะลงมือทําจริงๆไม่ยากอะไรเลยง่ายที่สุดเลยก็คือคอยหักรู้ความรู้สึกของเราไปความรู้สึกของเราแต่และ ว, วันแต่และ ว, วันไม่เคยเหมือนกันคอยรู้ไปเรื่อยๆพอรู้มากเข้ามากเข้ามันก็จะใข่เห็นความจริงความรู้สึกของเราเปลี่ยนแปลงตามการกระทบมีอารมณ์อย่างนี้มากระทบใจก็เปลี่ยนแปลงไปความรู้สึกเปลี่ยนไป อารมณ์อย่า ง, างหนึงมากระทบความรู้สึกก็เปลี่ยนไปอีกใจของเราเปลี่ยนแปลงทั้งวันถ้าเฝ้าดูอย่างนีน้ไม่นานเราจะเห็นในใจของเราไม่เทีย่ยงพวกเราหลายคนที่มาฟังหลวงพ่อสองสามครั้งเรียนแต่หลวงพ่ออย่างน้อยต้องเรียนก็สองสามครั้งนะถึงจะพอรู้เรื่องถ้าเรียนสักพักหนึ่งเราจะพบเลยเราจะเห็นสภาวะของใจใจนี้ทํางานตลอดเวลาใจนี้ไม่เคยหยุดเลยทํางานทั้งวันทํางานทั้งคืน ใจนี้เป็นของที่บังคับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไเรื่อยๆนี่ยเราเริ่มเห็นความจริงตรงนีพอเห็นมากเข้ามากเข้าซ้ํแาแล้วซ้ำอีกมันแล้ววันเล่ามันจะไปลบล้างความรู้สึกเดิมๆออกไปความรู้สึกเดิมๆก็คือเรารู้สึกว่าจิตใจนี้คือตัวเราที่แท้จริง่พวกเรารู้สึกไหมทีแรกเรารู้สึกว่าก้อนเนี้ยกายกับใจนี้คือตัวเรานะแต่พอหัดภาวนามากเข้ามากเข้าเริ่มจะเห็นแล้วร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอก ร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่จิตมาอาศัยอยู่จิตนี้แหละคือตัวเราการที่เห็นว่ากายไม่ใช่เราแต่จิตเองเป็นเราเนี่ยยังไม่ได้ทัศน์ดาบันหรอกเพราะว่าสักกายะทิฏฐิไม่ขาดสักกายะทิฏฐิขาดเนี่ยต้องเห็นว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราทั้งกายทั้งใจไม่ใช่เรานี่ถ้าเรามาคอยดูจิตใจของเราเราจะเห็นเลยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้าย ทั้งวันมีแต่ความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงหาความแน่นอนไม่ได้เห็นซ้ําแล้วซ้ําอีกถึงจุดหนึ่งนะต้องดูไปเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีตามรู้ไปไม่ใช่เข้าไปตัดแปลงเขาเราต้องการรู้ความจริงไม่ใช่ต้องการดัดแปลงจิตใจจิตใจไม่สงบไปทําให้สงบมันก็สงบชั่วคราวจิตใจไม่ดีทําให้ดีก็ดีชั่วคราวมันได้ชั่วคราวหมดในที่สุดปัญญามันแจ้งในทุก อ, อย่างใน ที่ผ่านมาหรือทุกอย่างที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยของโชคเก่าทั้งหมดตัวเราที่แท้จริงไม่มีแต่ทั้งจิตใจนี้ก็เกิดดับเกิดดับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริง mm hmm. ผู้ใดเห็นว่าจิตใจไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงใจมันจะตั้งมั่นขึ้นมาจะรวมเข้ามาแล้วก็มาตัดสัญน์ตัดครั้งที่หนึ่งอาสวายกิเลสที่ห่อหุ้มจิตอยู่ก็แหกออกโชคเก่าโชคขนาดเน่า น, นั้น จิตใจก็เป็นอิสระขึ้นมาสองสามขณะแว๊บๆนะแวบบแบบนะแบบเดียวอาสวะกิเดก็ห่อคุ้มใจอถ้าใครฝึกภาวนาไปช่วงเดือนจะเห็นตัวเนี้ยว่าจิตใจของเราถูกห่อหุ้มไปถูกกิเดกห่อคุ้มไป ม, ม, ม, มันมองเห็นเลยรนะมันเป็นสภาวะธรรมถ้าจิตใจเราไม่เป็นอิสระหรอกจิตใจเราถูกอะไรบางอย่างห่อคุ้มไปเหมือนเยื่อใสๆแต่ไม่ใช่เห็นด้วยตานะมันเป็นความรู้สึก เรื <Cornell. S 2> ่งคารู้สึกที่ใจเราว่าใจเราไม่เป็นอิสระจริงถูกบางสิ่งบางอย่างห่อพุ้มมาไว้ในขณะที่มรรคเกิดขึ้นครั้งหนึ่งสิ่งห่อพุ้มนี้ก็แหวกออกจริงครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเคยเทียบบอกว่าเหมือนเราขว้างก้อนหินลงในบ่อที่มีแหนะว้างไปเรื่อยๆคือเจริญสติไปเรื่อยๆถ้าจี่จี๋จี๋แหนนี้แหวกออกแหวกออกไปแล้วเดี๋ยวก็มาปิดอีก ต้องแหวกถึงสี่ครั้งนะถึงจะแหวกขาดไม่ไม่กลับมาผิดอีกที่เราก็ต้องรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจเข้ารู้ไปซ้ําแล้วซ้าอีกการปฏิบัติไม่เกินกายใจนี่ อ, อกกันรู้อยู่ที่กายที่ใจจนกระทั่งถอดถอนความเห็นผิดว่ากายใจเป็นตัวเราได้ได้เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันเนี่ยศีลบริบูรณ์แล้วก็มีสติดีศีลบริบูรณ์ได้ก็สติดีนะ เนีคนด่าโกรธทับนี่สติเห็นนะความโกรธมันผุดขึ้นมาความโกรธซับงาใจไม่ได้ก็ไม่ฆ่าใครไม่ตีใครไม่ด่าใครศีลมันเกิดเองเห็นสาวสวยความโลภมันเกิดราคามันเกิดรู้ทันสติรู้ทันราคาครอบงำใจไม่ได้ก็ไม่ทําผิดศีลข้อสามศีลมันเกิดจากการมีสติเป็นอย่างนี้เรียกว่ายินเสียสังวรศีล หรือถ้าใครเคยฝึกนะถ้าโสดาบันเนี่ยศีนบริบูรณ์ไม่ทํากิดสีนห้าละก็มีสติว่องไวถ้าโสดาบันมีสมาธิเล็กน้อยหมายถึงใจไม่ค่อยตั้งมั่นใจยังสลับซ้ายสลับขวาเหมือนพวกเราทั้งหลายนี่แหละสลับไปเรื่อยๆพวกเราดูออกไ้มใจของเราไม่ตั้งมั่นเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดใจเราวิ่งไปวิ่งมาทั้งวันนะไม่เคยตั้งมั่น พระโสดาบันก็ใจไม่ตั้งมั่นนะเฉะลี่ไปเฉลี่มาพระโสดาบันมีปัญญาเล็กน้อยนี่ขณะดพระโสดาบันยังปัญญาเล็กน้อยนะแล้วพวกเราจะปัญญาแค่ไหนพระโสดาบันเนี่ยท่านบอกมีปัญญาเล็กน้อยคือเห็นแค่ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นมาสิ่งนั้นก็ดับไปตัวเราที่แท้จริงไม่มีพระโสดาบันรู้แค่นี้แต่ความยึดถือกายยึดถือใจนี่ยังยึดถือเนียวแน่นเหมือนฟูตุชนนี่นแหละ คล้ายๆกับรู้ทันแล้วว่าทรัพย์สมบัติหรืออย่างโลวงพเนยจีวรเ น, นี่ยรู้แล้วว่าไปขอยืมเข้ามาใช้แต่ห่วงนะไม่คืนนะพระโสดาบันรู้นะว่ากายนิ้ใจนี้เป็นของยืมโลกมาใช้แต่ห่วงไม่ยอมคืนรู้ว่าไม่ใช่ของเราแต่ห่วงเอาไว้นี่พออ่านเจริญสติมาเข้ามากเข้าได้เป็นทศกิทาคาทศกิาาทกาคาเนี่ยท่านบอกว่ามีศีลบริบูรณ์ ก็บริบูรณ์มาตั้งแต่พระโสดามีสมาธิปานกลางมีปัญญาเล็กน้อยแม้สกิทาคายังปัญญาเล็กน้อยแล้วพวกเราจะปัญญาขนาดไหนหรือพระโสดานะมีสมาธิเล็กน้อยแล้วพวกเราจะสมาธิขนาดไหนทําไมพระสกิทาคามีสมาธิปานกลางหมายถึงใจท่านเนี่ยแฉลบน้อยลงแฉลบสั้นๆที่แฉลบแล้วแวบรู้สึกแวบรู้สึกเพ ส, สติเร็ว น, นั่นเอง เพาสติว่องไวแม้สมาธิก็มาจากเพราะมีสติว่องไวใจเผลอไปโลงไปตามกิเลสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นแปหรือโหลงไปในโลกของความคิดจะรู้เร็วพรรู้เร็วนี้กิเลสเบาบางเพราะว่ากิเลสไม่ทันงอกงามเป็นกิเลสตัวใหญ่ท่านถึงบอกว่าพระเสกาาิทาขากิเลสเบาบางนี่เรามาตามรู้กายตามรู้ใจต่ออีกวันหนึ่งเห็นความจริง ถ้าจิตเราโฉออกข้างนอกไปถ้าจิตเราหลงอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นไปหรือทางกายไปหรือหลงไปคิดในเรื่องที่เพลิดเพลินผ่อนใจทั้งหลายจิตใจเนี้จะเสียความเป็นปกติเสียความเป็นธรรมดาจิตใจจะกัดแหว่งไม่สบายจิตใจที่แหว่งออกไปข้างนอกตามอารมณ์ตามกิเลสไปข้างนอกไม่มีความสุขไม่มีความสบาย แต่จิตใจที่สงบจิตใจที่ตั้งมั่นเด่นดวงอยู่นี้มีแต่ความสุขมีแต่ความสบายนี่เป็นปัญญาขั้นกลางนะคือเริ่มเห็นอริยสัจฟลังไคลยเห็นว่าถ้ามีตัณหามีความอยากอยากดูอยากฟังอยากได้กลิ่นอยากได้รส อ, อยากได้สัมผัสนะอยากคิดแต่เรื่องเพลิดเพินพอใจจิตใจจะไม่มีความสุขจิตใจจะไม่มีความสงบเมื่อไรไม่มีความอยาก ใจิตใจไม่อยากไม่วิ่งออกไปยึดอารมณ์ภายนอกหรือยึดหลงไหลอยู่ในความคิดของตัวเองจิตใจจะตั้งมั่นเด่นดวงมีแต่ความสุขล้วนๆเป็นอย่างนี้เห็นว่าสมูทไทยนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดปุด๊รู้อย่างนี้นะพอรู้จากตรงนี้ลงมาเนี่ยเรียกว่ามีปัญญาขั้นกลางสมาธิจะบริบูรณ์ขึ้นนะเขาถึงสอนบอกว่าพระอนาคามีเนะี่ยศีลบริบูรณ์สมาธิบริบูรณ์มีปัญญาปานกลาง ปัญญาขัางกลาง ค, คือรู้เลยถ้าอยากเมื่อไหร่ห้ยึดเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นรู้ว่าปัญหาหรือสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่เมื่อทํามาถึงตรงนี้จะระจะหวงแหนจิตผู้รู้นี่มากที่สุดเลยเพราะรู้ว่าถ้าเราอยู่กับตัวจิตผู้รู้เนี่ยความทุกข์จะไม่คล่องแวนนั้นจิตจะมีสองชนิดมีจิตผู้รู้กับจิตผู้หลงจิตผู้รู้นี่มีแต่ความสุขจิตผู้หลงตามอารมณ์ตามกิเลสจะมีแต่ความทุกข์ จะรู้สึกว่ามีสองอย่างนั่นจะห่วงแหนถนอมรักษาจิตผู้รู้ห่วงที่สุดส่วนมากผู้ปฏิบัติจะมาจบลงตรงนี้ไปต่อไม่ได้ละเข้ อ, อใจละวคล้ายๆคนคนหนึ่งอยากจะเจอเมืองทองอยากได้เหมืองทองคำเดินไปเจอยาวาราชนะพอใจละไม่ไปไหนละเอาเป้ามาตรงนี้แหละไม่ไปหาเหมืองละผู้ปฏิบัติจํานวนมากก็จะมาหยุดอยู่ที่ตรงนี้พอตายไปก็ไปอยู่สู่สุโลก เป็นพัพลมแดดลมพวกนี้ไม่เป็นไรไม่ต้องกลับมาหยิบเกิด อ, อีกแล้วนอนิจฐานในส ม, มารูปนี่ถ้าเราปฏิบัติต่อไปเนี่ยสติปัญญามันจะบีบวงแคบเข้ามาเพราะแ้จิตใจมันเด่นดวงขึ้นมามันไม่ได้ออกไปแส้สายหารมทางตาหูจมูมกลิ้นกายภายนอกมันอยู่กับจิตกับใจล้วนๆเลย ถจิตใจมันบีบวงเข้ามาอยู่ที่จิตที่ใจเนี่ยถ้าสติปัญญาเพียงพอส่วนมากสติปัญญาไม่เพียงพอหรอกต้องได้ยินได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าช่างสังเกตหรือมีครูบาอาจารย์บอกให้ถ้าช่างสังเกตก็จะสังเกตได้เหมือนกันอย่างครูบาอาจารย์ลงลงปูมั่นเนี่ยท่าสังเกตเอาถ้าตรงนี้ยังนิ่งนอนใจไม่ได้ยังยิงอาศัยจิตผู้รู้อยู่ยังนิ่งนอนใจไม่ได้ ยังไม่พ้นทุกข์อยู่หรือเราถ้าพวกเราช่างสังเกตเราก็จะรู้ว่าจิตเรายังมีสองอย่างอยู่มีจิตผู้รู้ที่มีความสุขกับจิตผู้หลงที่ไม่มีความสุขตรอบไดที่ยังมีสองเนี่ยไม่ใช่ของจริงจำไว้นะอบไดที่ยังเป็นสองไม่ใช่ของจริ ง, ห, นะ ง, ง, ง, รงหรอก ย, ยังหลงอยู่กับสุขกับทุกข์กับดีกับชัว่วนะแต่สงบคุ้งซ่านกัภายในภายนอกอย่างละเอียดอะไรอะไรที่ยังเป็นคู่คู่เนี่ยงานยังไม่เสร็จแน่นอน ถ้า ง, งานเสร็จจะเป็นหนึ่งเดียวรวดเลยเป็นสีติจิตจิตก็เป็นหนึ่งนะสีติธรรมธรรมก็เป็นหนึ่งที่หลวงปู่มั่นท่านใช้นี่ถ้าเราไม่นิ่งนอนใจเราก็คอยรู้เท่าทาันจิตใจของเราต่อไปเสร็จแล้วมันจะทวนสติปัญญาเราไม่ได้หรอกตัวผู้รู้เนี่ยบางท่านจะเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันผ่องใสอยู่ผ่องใสอยู่ทั้งวันทั้งคืนมันจนึ่วงหนึ่งมันมองได้เออมันไม่เที่ยงเห็นบางท่านเห็นว่าไม่เที่ยงท่านปล่อยวางได้ อย่างนี้เรียกว่าเป็นประเทศหลุดพ้นในประเภทที่เรียกว่าอนิมิตตาิโมกเห็นแต่ว่ามันเกิดระดับเกิดระดับตัวผู้รู้เปลี่ยนรดับบางทั้นเห็นว่ามันเป็นทุกข์พวกที่ทรงสมาธิมากๆจะเห็นมันเป็นทุกข์เพราะถ้าไม่เห็นม่าจิตผู้รู้เป็นทุกข์มันจะไม่ยอมปล่อยแล้วก็สมาธิมากนะตัวผู้รู้มีแต่ความสุขนะถ้าปัญญาแก่รอบจริงๆเห็นมันเป็นตัวทุกข์ทุกข์แบบไม่มีอะไรเหมือน พอเห็นว่าตัวผู้รู้ก็เป็นทุกข์จิตมีอันเดียวนะคือจิตที่เป็นทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ว่าจิตมีทุกข์บ้างสุขบ้างแต่เดิมเไยเข้าใจว่าจิตนี้ถ้ารู้ตัวเป็นผู้รู้แล้วมีความสุขท่านเป็นผู้หลงแล้วมีความทุกขเข้าใจผิดต่อเมื่อใดสติปัญญาแก่รอบตัวจิตเองนั่นแหละตัวทุกข์ล้วนๆจะปล่อยวางเนี่ยโรงคําสอนพระพุทธเจ้าแล้วท่านสอนบอกว่าขันห้าเป็นทุกข์ ทุกข์ล้วนๆนะไม่ใช่ทุกข์บ้างสุกขบ้างพวกเราแค่เห็นร่างกายเราอย่างเห็นว่าร่างกายทุกข์บ้างสุกขบ้างเลยอย่าไว้แต่จิตใจเลจิตใจยังไงก็เห็นมาทุกข์บ้างสุกขบ้างทุกขทุกข์ของเราอยู่ที่ว่าได้อย่างที่อยากไหมถ้าไม่ได้อย่างที่อยากก็ทุกข์หนถ้าได้อย่างที่อยากก็ไม่ทุกข์เห็นไหมนันทุกข์ของเราที่พวกเรารู้จักคือทุกข์จากความไม่สมอยากส่วนทุกข์ของภาคามีที่ท่านรู้เนี่ยทุกข์เพรความอยาก เห็นว่าถ้าอยากเราทุกข์นะของเราเห็นได้แค่ว่าถ้าไม่สมอยากเราทุกข์ถ้านาคามีเห็นว่าแค่มีความอยากก็ทุกข์แล้วก็ยังมีสองอย่างมีทุกข์กับทุกข์ก็อยากกับไม่อยากพระปัญญาเห็นแจ้งจริงๆเลยมีแต่ทุกข์ล้วนๆจะอยากหรือไม่อยากก็ทุกข์แหะทุกข์ไม่ใช่อยู่ที่อยากหวะทุกข์อยู่ที่ตัวขันเองเป็นตัวทุกข์อย่างนี้เรียกว่าตู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะจิตจะปล่อยวางเลยปล่อยวางจิต นี่บางท่านก็เห็นว่าจิตนี้เป็นสุญญตาเป็นความบ่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนไม่เกี่ยวอะไรกับเราคืนยอมคืนยอมสลัดคืนให้โลกก็ไปพวกนี้เรียกว่าสุญญตาวิโมกพวกกันยาก่าหลุดพ้นด้วยการเห็นจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราปลดปล่อยออกไปละว่างออกไปในทางที่จิตดำเนินไปสู่ความหลุดพ้นนี่มีสามช่องในทั้นสุดท้ายเบื้องต้นของเราเนี่ยนะคอยรู้กายคอยรู้ใจไว้ พอรู้กายเต็มที่นะมันจะปล่อยวางกายมันจะย้อนสวนเข้าหาธาตรูกก้ตัวจิตรือพอรู้จิตเต็มที่เนี่ยว่าเป็นอนิจจังหรือเป็นทุกขังหรือเป็นอนัตตาในหนึ่งมันแค่ปล่อยวางจิตพอปล่อยวางหมดทั้งกายหมดทั้งจิตเนะี่ยจิตใจก็ะจะพ้นจากความทุกข์จริงๆพ้นจากขันนิพพานก็คือการที่จิตมันลาบออกจากขันมันสำลอกออกจากขันหลุดออกจากขันได้แต่ไม่ใช่หลุดออกไปนอกตัวนะ ภาวนาไปแล้จิตจะเข้าไปสู่ความเป็นหนึ่งป่บาทอาจารยองค์เรียกว่าจิตหนึ่งหลวงปู่มั่นเรียกทีที่จิตจิตเดิม น, นั้นเราก็ฝึกไปได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นแต่ยันไวชาตินี้ไม่จบก็ไปจบชาติหน้าก็ยังดีนะฝึกไปไม่ได้ยากอะไรแต่ถ้าพวกเราเอาแค่ทําทานถือซีลทําสมาธิเอาความสุขความสงบ อ, อย่างเดียว เราก็ได้เป็นคนดีได้สุขได้สงบนะอย่างเก่งที่สุดไปเป็นครบครมแต่ถ้าเราเรียนให้เกิดสัญญารู้ลงมาที่กายที่ใจเนี่ยเกิดสัญญาตัวจริงปล่อยวางได้มันพ้นทุกข์จริงๆนะมันพ้นทั้งวันทั้งคืนไม่มีการเข้ากายถอดอิสระไปละอย่างความสุขของสมาธิมีการเข้ามีการออกหลวงพ่อ เ, อเคยงงสุดๆดดดดอยู่รอบหนึ่งหลงพภาวนาไปจิตมันว่างจนหมดเลย เราก็คิดว่าตรงนี้เป็นนิพพานแต่ น, นั้นไม่ได้บวชนะภาวานาไปแล้วเออกำหนดจิต ด, ดูไปดูไปว่ า, ว, าว่ามันดีมันหนึงไปเจอหลวงปู่บุญจันทร์ครับท่านไม่เคยรู้จักหลวงพ่อเลยหลวงพ่อไปวัดสันติธรรมไปหาอาจารย์ทองอินในสิบกว่าปีมาแล้วเกือเกือแบยี่สิบปีแล้วไปที่วัดสันติธรรมไปหาอาจารย์ทองอินมาเจอพระองค์นหนึ่งมันดักอยู่ข้างหน้า หน้าวัดสันติธรรมบอกว่าวันนี้อาจารย์บุญจันทร์ท่านมาให้ไปหาหน่อยไม่ไปไม่รู้จักไม่รู้จัก่ะเราไปคุยกันท่างอาจารย์ทองยินอยู่จนดึกเลยนะออกมาจากกุติอาจารย์ทองยินนะัอาการหนาวจากไลยเท่านั้นยังอยู่อยอกไปหาอาจารย์บุญจันทร์หน่อยอ้อนรอนอยู่นั่นนะโอ้เราก็ไม่อยากไปเราไม่รู้จักท่านเราดึกมากนะถ้าไปก็ไป เดินตามท่านไปแต่บุญเจ้านท่านไม่สบายมาพักอยู่วัดสันติธรรมเป็นท่าพันทุกข์กับแต่ไปถึงหลังวัดขึ้นบันไดไปนะท่านนั่งนอนอยู่บนตังอยู่ที่ระเบียงไม่อยู่ในห้องเลยกลุ่มโป่ตัวสันส่นสันส่นสั่นหนาวไม่สบายเอาขึ้นไปกราบท่านนะท่ากโกโผล่มาจาัดท้าผมนะลุกขึ้นนั่งตัดข้อขอเลยนายภาวนา ย, ยังไงบอกเนี่ยผมดูไปนะครับแล้วจะทำให้มันว่างว่าง โดนท่านตวาดเลานะเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกไงจะปฏิบัติยังไงเราก็นึกว่าท่านฟังเราไม่รู้เรื่องเอ๊ท่านคงฟังภาษาสำเนียงเราไม่ออกมั้งบรรยายเหมือนเดิมอยู่นะโดนท่านตวาดเอาอีกเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกถ้า ย, ยังมีสภาวะแห่งความเป็นคู่นะไม่ใช่ของจริงนะจะไปหลวเข้าพูดเรื่องนี้เพราะพวกเรารุ่นหลังๆเนี่ยชอบไปทําจิตให้ว่าง เนี่ยเขาจะกำหนดความว่างคิดว่าเป็นทางลัดมันเป็นทางหลงต่างหากแหละเอาความว่างเป็นอารมณ์เพราะพุทธเจ้าไม่เคยสอนเนี่ยท่านบอกให้เอารูปนามให้เอากายเอาใจเป็นอารมณ์นั้นในสติปัฏฐานสี่มีแต่เรื่องกายกับใจโดนท่านดูเอาเลยดูอ๋อไม่ใช่แล้หลงทางละมาเล่าเนะี่ยเพื่อเป็นบทเตียนนะะเป็นบทเตียนเห็นพวกเรารุ่นหลังๆชอบทำความว่างกัน อย่าเอาแต่ความว่างนะ่ะกําหนดจิตให้ว่างมีแต่ความสุขความสบายนะมันตกลงอยู่ตรงนั้นนะเอาเป็นที่พึ่งอนู่ยังมีเข้ามีออกมีโขลกร้อนะนั้นใช้ชีวิตปกตินี้แหละสือสีห้าไว้ก่อนนะดํารงชีวิตธรรมดาของเรานะมีหน้าที่ทํามาหากินอะไรก็ทํามาหากินไปมีหน้าที่เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงไปงนะมีหน้าที่ทําอะไรก็ทําไป แต่ว่าครยสังเกตจิตใจตัวเองไหมบ่อยๆการปฏิบัติเน mm ี่ยถ้าเราแยกส่วนการปฏิบัติออกจากการดาเนินชีว <|ja|> ิตปกติของเราอย่ามาพูดเรื่องมรรคผลนิพพานในชาติน mm> um ี้ไม่ได้ถ้ายังรู้สึกนะว่าเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติเวลานี้ไม่ใช่เวลาปฏิบัติถ้ารู้สึกอย่างนี้อย่าพูดเรื่องมรรคผลนิพพานเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเราสามารถหลอมรวมการปฏิบัติเข้าในชีวิตจริงของเราได้ ก็ไม่ต้องพูดเรื่องมรรคผลนิพพานนะยังไงก็ต้องได้งั้นต้องหลอมรวมการปฏิบัติเข้าในชีวิตจริงของเราให้ได้เ น, นเมื่อสักเดือนสองเดือนนะมีคนไปเรียนกับหลวงพ่อที่ศรีราชาศาลาหลวงพ่อใหญ่กว่านี้ตั้งเสือบเท่าวันนั้นคนเต็มยามีเด็กหนุ่มคนหนึ่งมาถามหลวงพ่อว่าผมอยากเดินจงกรมจะเดิอนอยังไงอยากเดินจงกรม หลวพ่อบอกว่ากล้าออกมาเดินโชว์ไหมเดินตรงเนี้ยกลา้าไหมมาเดินโชว์ตรงเด็กคนนี้กล้าค่อยๆแบบคนนะแแบบเดินเดินออกมาแแบบออกมาหลวงพ่อบอกว่าหยุดก่อนใช้ไม่ได้แล้วทำไมขาดสติที่ขาดสติเพราะตอนที่แบบคนออกมาจะมาเข้าทางจงกรมคิดว่าเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาปฏิบัติคิดว่าตอนนี้ไม่ต้องปฏิบัติ เดี๋ยวเอาไว้เข้าทางจงกลมก่อนค่อยปฏิบัติไม่เข้าใจผิดล่ะแท้จริงแล้วทุกก้าวที่เดินถ้ามีความรู้สึกตัวเรียกว่าเดินจงกลมทั้งหมดเลยเดิน <world> อยู่ที่ไหนก็ตามแต่ถ้ารู้สึกตัวขึ้นมานะาเรียกว่าเดินจงกลมทั้งหมด <wh ats> ถ้าเดินกลับไปก ล, ลับมาแล้วขาดสติเรียกเดินเรื่อยเปื่อยถ้าเดินแล้วก็เพ่งเงาเพ่งเงาบังคับกายบังคับใจก็เรียกเดินทรมานทรมานกายทรมานใจถ้าเดินแต่มีสติเรียกว่าเดินจงกลม หลวงพ่อก็ให้เดินต่อตอนนี้เขาก็ไม่เดินใจลอยแนะถ้าเดินค่อยๆรู้สึกตัวมานะกำลังก็ดีเลยพอเริ่มเข้าทางจงกรมพุ๊บเริ่มวางฟอมแบบนักปฏิบัติ <c oughs> วางฟอมอักขึ้นบอกนี้ผิดไปข้างหนะึ่งะสิ่งที่ผิดหลวงพ่อพูดบ่อยๆสุดโตมีสอ ง, งอันอันหนึ่งเหลือไปตอนเดินออกมาทีแรกเหลอไปในเร่ยเปือยพอเริ่มลงมือปฏิบัติ บังคับกายบังคับใจสุดโต่งพอเราบังคับกายบังคับใจนะกายก็นิ่งผิดความเป็นจริงจิตก็นิ่งผิดความเป็นจริงเราต้องการดูให้เห็นความจริงทักหน่อยไปทํำจนมันผิดความจริงแล้วจะเอาความจริงที่ไหนไปดูงั้นเราต้องรู้ตามที่เขาเป็นจริงๆนะอย่าไปตัดแปลงอารมณ์กรรมฐานอารมณ์กรรมฐานไม่ได้เอาไว้ฝึกดัดแปลงแต่เอาไว้ดูเพื่อให้เห็นความจริงนะว่ากายนี้ใจนี้ไม่เที่ยง มันเป็นพุกมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราพอ ร, รู้ความจริงแล้วมันจะปล่อยวางแต่ถ้าไปบังคับไปทำขรึงทื่อๆไว้นะยิ่งแก่ยิ่งเก่งนะยิ่งแก่ยิ่งเท่งเก่งกใครด่าก็เฉยใครชมก็เฉยนะฝึ ก, กนจนกระทั่งมีความรู้สึกเหมืนอนตัวเองเป็นต้นไม้และก้อนหินไร้ความรู้สึกฝึกอย่างนั้นน่าสงสารเหนื่อยบางคนเท่งมากมาก ม, ากมากเท่งไปเินที่คนที่การนะต้องหอบคิ้วกันมา ให้เราแก้ให้นะมันก็แก้ยากนะดังนั้นอย่ารีบร้อนอย่าใจร้อนรีบปฏิบัติมากนะักฟังให้รู้เรื่องหน่อยแล้วค่อยลงมือทําเรียนก่อนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรกรรมาฐานเนี่ยถ้าเป็นวิปัสสนานะอันแรกเลยอารมณ์ของวิปัสสนาคือกายกับใจของเราเนี่ยกายกับใจธรรมดาธรรมดานี้แหละไม่ใช่เหนือธรรมดานะอันที่สองต้องเรียนก็คือวิธีที่เราจะรู้การรู้ใจอย่างถูกต้อง จะรู้กายรู้ใจถูกต้องได้ถ้าเราไม่เผลอไปที่อื่นใช้ใจลอยไปที่อื่นถ้าเราไม่ไปบงังคับกายบางังคับใจให้ผิด ธ, ธรรมดากายเคลื่อนไหวก็คอยรู้สึกเอาจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกเอารู้สึกไปตามธรรมชาติรู้สึกไปตามธรรมดาเพื่อ<พ>เราจะได้เห็นความเป็นธรรมดาธรมาธรมดานั่นแหละธรรมะคำเดียวกันนะธรรมดากับธรรมะเพรฉนเราเรียนจนเห็นธรรมดาของกายคือมันไม่เที่ยงมันเป็นฟุกมันเป็นก้อนธาตุเป็นวัตถุไม่ใช่ตัวเราหรอก ธรรมดาของจิตก็คือมันไม่เที่ยงมันเป็นของบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้นี่เรียนให้เห็นธรรมดาเพราะฉะนั้นจะทําวิปัสสนาเนี่ยอันแรกเลยต้องรู้อารมณ์ของวิปัสสนาคือกายกับใจของเรานี้วิธีรู้กายของใจวิธีรู้กายรู้ใจก็คือรู้อย่างที่มันเป็นอย่าเผลอไปที่ออื่นซะอย่าไปนั่งเพเพ่งเงาเเพ่งเงามันจะนิ่งผิดความเป็นจริงถ้าเเพอไปก็รู้กายรู้ใจไม่ได้ เพยงไว้กายกายใจนิ่งปิดความเป็นจริงนี่ก็ใช้ไม่ได้ไม่เห็นของจริงอันที่สามถ้ารู้แล้วเนี่ยมันจะต้องได้ผลลัพธ์ถูกต้องตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนตรงตามที่พระพุทธเจ้าสอนคือถ้าเรารู้กายรู้ใจถูกต้องเราจะเกิดสัญญาเข้าใจความเป็นจริงของกายของอกใจแล้วเกิดบิมุตดคือปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้ไม่ใช่ผลของการทําวิปัสสนาก็คือการบังคับจิตได้ บังคับจิตที่ไม่สงบให้สงบได้บังคับจิตที่ไม่ดีให้ดีได้เนี่ยคิดว่าเราบังคับได้การบังคับได้นี่มันขัดแก่คําสอนของพระพุทธเจ้านะท่านบอกว่ามันบังคับไม่ได้มีพวกเราชอบวาดภาพตาระหันคือคนที่ฝึกจิตที่ไม่เที่ยงให้เที่ยงได้ทําจิตให้เที้ยงคือคนที่ฝึกจิตที่เป็นฟุกให้เป็นสุขได้คือคนที่บังคับจิตซึ่งเป็นอนัตตาให้บังคับได้ แอดจริงไม่ใช่อย่างนั้นแอ้จริงก็คือท่านคล้อยตากความเป็นจริงเรียกว่ามันมีญาณอยู่ตัวหนึงเรียกสัจจานุโลมิกญาณก่อนที่ความรู้แจ้งอริยสัจจะเกิดเนมันมีญาณอยู่ตัวหนึ่งเรียกสัจจานุโลมิกญาณการคล้อยตามความจริงความจริงของกายของใจมันเป็นยังไงรู้ยอมรับมันยอมรับสภาพความเป็นจริงของมันได้พอยอมรับได้นะใจหมดการดิ้นรนหมดปัญหาทันทีเลยความดิ้นรนในใจจะหมด ทันทีที่ตัณหาดับลงเนี่ยนิโรธหรือนิพพานจะปรากฏขึ้นมาเลยมากกวนิพพานปรากฏงั้นเราต้องการรู้รู้แล้วต้องได้ผลตรง ต, รงตามที่พระพุทธเจ้าบอกอย่างการใช้ชีวิตของเราปรกติก็จะไม่ได้เพี้ยนเพียนผิดปกตินะเป็นปกนติธรรมดาที่สุดเลยอย่างท้สาสรีบุตรนะชอบกระโดดลดเต้นเลิศๆไม่ใช่ท่านเลิศนะหมายถึงว่าเวลามี เจ็ดข้าต้องร่องค้ามอะไรท่านก็โดดเออกนะหรือมีพระอยู่องค์หนึ่งชอบเรียกคนอื่นว่าไอ้ถอยไอ้ถอยนะมันเป็นพระทรหารท่านก็ยังเรียกไอ้ถอยอยู่งั่นแหละท่านะไม่ได้แกล้งทำขืนนะพระทหารเป็นคนพิการไม่ใช่อย่างนั้นนะถึงวันๆไม่กระดุกกระดิกถ้อย่างนั้น่มันทําด้วยตัณหาและทิฏฐิจริงๆแล้วไม่ยากนะไม่ยากอะไรรู้ไปอย่างที่มันเป็นมีเท่านี้แหละธรรมะ พูดกี่วันก็คล้ายๆกันนะถ้าเมื่อไรเราแจ้งขึ้นมาแจมแจ้งอัญญาแจมแจ้งแล้วก็ปนทุกขมันแจมแจ้งอธิยสัตว์อย่างเดิมเราจะเห็นเลยว่าเพราะมีสมูทัยจึงเกิดทุกข์เพราะพอเราแจมแจ้งเราจะพบว่าเพราะไม่รู้ทุกข์จึงเกิดสมูทัยเพราะมีสมูทยัยก็เกิดทุกข์ เราไม่รู้ทุกข์ก็เกิดสมุทยัยทุกข์เกิดสมุทัยเป็นธรรมที่อิงอาศัยกันฉนั้นสังสารวัตรไม่มีที่สิ้นสุดพอมีความทุกข์ขึ้นมาเราก็อยากคนทุกอยากคนทุกเราก็ยิ่งดิน้นยิ่งดิ้นก็ยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งดิน้นเพราะงันดิ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าอะไรเรารู้ความจริงเรารู้แจ้งทุกข์สมุทัยจะดับอัตโนมัติ เพราะงันเมื่อไรรู้ทุกข์จะไแจ้งสมูทไทดับอัตโนมัติแต่เดิมเราคิดว่าถ้าดับสมูทไทได้จะดับทุกข์ได้อันนี้มันถูกเหมือนกันแต่มันถูกครึ่งเดียวสมูทไทดับไปนีโรสมันเหตุแยงแต่สมูทไทดับได้เพราะว่าเรารู้ความจริงของทุกข์คือรู้ความจริงของตายของใจเพราะกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราแนละ้วเราปล่อยวางกายปล่อยวางใจได้ ความดินดน้นรนที่ใจะให้กายนี้ใจนี้เป็นสุขบนกุกเนี่ยก็จะหายไปหมดความดินดน้นรนพอหมดความดินดน้นรนใจก็แจ้งนี่รอดขึ้นมาแจ้งนี่ถามแจ้งสภาวะคนคกุกเนี่สังสารวัตรี่มันเป็นการอิงอาศัยกัน ร, ระหว่างทุกข์กับสมุทยัยยิงดินก็ยิ่งกุกยิ่งกุกก็ยิ่งดินเนี่ยสังสารวัตมีอยู่เท่าเนี้ยนะถ้าย่อๆลงมานะสังเกตดูในใจเราเป็นอย่างนั้นนะยิ่งดินยิงกุกนะยิ่งทุกก็ยิงดินเวียนอยู่เท่าเนี้ย ตายแล้วตายอีกก็วนอยู่แค่นี้แหละหลายคนก็มองว่าถ้าดับตัณหาจะได้มันจะได้พทุกมองได้ทั้นเดียวหลายคนพยายามดับตัณหาด้วยการดับตัณหาด้วยการทรมานตัวเองอย่างพวกนิพพานเนี่ยเขาก็รู้นะว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดพุกถ้าดับตัณหาได้เราจะนิพพานเขมองได้ชั้นหนึ่งฉลาดเหมือนกันมองไปได้ชั้นหนึ่งเขาก็ดับตัณหาเช่นมันอยากกินไม่กินมันอยากนอนไม่นอนพื้นมัน เริ่มไปว่าไอ้โต๊ะที่แกล้งมันทํานั่นอะทำด้วยตัณหาและทิฏฐิเหมือนกันมันไม่ดับจริงนี่ก็พระพุทธเจ้าฉลาดแหลมคมเรียนลงมาว่าอะไรอ่เป็นต้นต่อของตัณหาท่านพบว่าความไม่รู้ทุกนั่นแหะเป็นต้นต่อของตัณหาความไม่รู้ทุกนั่นแหะคืออวิชชาอาวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจไม่รู้ทุกนี่ตัวที่หนึ่งเลยงั้นในอริยสัจสี่แต่ก่อนโลวงพ่เคยโสงสัยว่าทำไมท่านเริ่มด้วยทุกทำไมท่านไม่เริ่มด้วยสมมุภัย เพรเวลาเราปฏิบัติเราเห็นสมุทัยก่อนใช่ไหมมีความอยากแล้วก็มีความทุกข์ทำไมท่านไม่เจาะจงสอนมาที่ความอยากเนี้ยทาไมไปเริ่มต้นที่ทุกข์เพราะเราเข้าใจธรรมะชั้นเดียวแต่ทําเมื่อไรเราเข้าใจธรรมะนะว่าเพรามีทุกข์เพราไม่รู้ทุกข์เพราไม่รู้ทุกข์จึงเกิดสมุทยัยเพราะฉะนั้นถ้ารู้ทุกข์นะก็ไม่มีสมุทยัยท่านถึงสอนเริ่มจากทุกข์ก่อน ทุ ก, ก็คือกายกับใจนะให้เรารู้ทุกท่านบอกว่าทุกให้รู้เพราะฉะนั้นให้เรารู้ทุกคือรู้กายรู้ใจของตัวเองพอเข้าใจความเป็นจริงของกายของใจสมูทัยจะดับทันทีทันทีที่สมูทัยดับนิโรธจะแจ้งทันทีอัตโนมัติหมดเลยนะงั้นมรรคก็คือการคอยรู้ทุกเอาไว้นั่นแหละรู้ทุกจนกระทั่ ง, งนิตันหาดับนิโรธแจ้งก็ปนทุกตรงนั้นแหละขั้นตอนของท่านสมบูรณ์นะแต่ก่อนหลวงพ่อก่อน จะไปบวชก่อนจะปฏิบัติอะไรเนี่ยเป็นนักวิเคราะห์นะชอบวิเคราะห์ทำงานวิเคราะห์วิคราะห์นโยบายวิเคราะห์แผนเราก็นึกว่าพระพุทธเจ้าสอนอริยสัจสี่แบบนักวิเคราะห์ะเริ่มต้นด้วยตัวปัญหามีทุกข์ขึ้นมาก่อนแล้วมาวิเคราะห์หาสาเหตุควจริงไม่ใช่หรอกท่านสอนมาตามลําดับของการปฏิบัติเพราะธรรมะนั้นท่านสอนเอาไว้ให้ปฏิบัติไม่ได้สอนให้ไว้คิดเล่นๆ น, นั้นท่านสอนทุกข์ก่อนนี่ถูกต้องแล้วเพราะเราต้องรู้ทุกข์ ตัวนี้สําคัญมากนะการรู้ทุกกระทั่งละสมุไทย์นี้รดแจ้งมันคือการรู้แจ้งอริยสัจพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าไม่รู้แจ้งอริยสัจยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกอริยสัจเนี่ยย่อๆลงมาถ้าป่ายเกิดนะก็อย่างที่หลวงพ่อบอกแนั่นแห ะ, ะยิ่งดินยิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ยิ่งดินะนอะ่างไรย่อลงมาแล้วก็แค่นี้นะ้แต่ถ้าจะตัดสังสารวัฏให้ขาดธรรมะฝ่ายวิวัตต์ัดรู้ทุกข์ สมุทัยก็ถูกละนิโรธก็แจงเงงัอนล่อยรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปทําได้แค่ไหนเอาแค่นั้นชาตินี้ทําไม่เสร็จไปต่ อ, อาชาติหน้าบางคนชาตินี้รู้สึกยากมากแต่ไม่เข้าถอยนะทําไปชาติหน้าง่ายเหมือนอย่างตาพาหิยะตาพาหิยะเนี่ยเป็นแชมป์เป็นเอตทัคทะทางตรัสรู้เร็วได้ยินคําสอนของพระพุทธเจ้านิดเดียวนะเป็นท่ารหารนะ พระเจ้าสอนลองดูก่อนพาหิยะในการใดแลเมื่อเห็นจับเป็นศัก์ว่าเห็นเมื่อฟังจับเป็นศักด์ว่าฟังเมื่อทราบจับเป็นสักด์กว่าทราบเมื่อรู้แจ้งจับเป็นศักด์ว่ารู้แจ้งแต่ถ้าศักว่าสักว่ า, วาอย่างนี้ในการนั้นท่านย่อมไม่มีท่านไม่มีในปัจจุบันไม่มีในอดีตไม่มีในอนาคตนั่นแหละที่สุดแห่งทุกข์ฟังแค่นี้นะคืนเลยใจนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราแล้วคืนโลกไปเลยเป็นพระอรหันต์เนียก่อนที่ท่านจะง่ายท่านยากมาแล้ว ในปลายศาสนาพระพุทธเจ้าองคก่อนประกาศสัพพุทธะศ า, าสนากำลังเคลื่อมท่านอุตสาห์ขึ้นภูเขาไปไปภาวนาแต่ทาบันไดไต่ขึ้นเขาก็กรกีบทิ้งเลยถ้าไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์หนึ่งเอาตัวไม่รอดนะยอมตายบนเขาแล้วตายจริงๆสลายชีวิตปฏิบัติธรรมแต่ว่าท่านไปปฏิบัติเนี่ยท่านต้องปฏิบัติถูกนะ ถ้าท่านปปฏิบัติผิดมาชาติหนึง่งท่านก็ปฏิบัติถูกไม่เป็นแล้วแหละเะฉะนั้นก็เราต้องหักเจริญสติไว้หัดรู้สึกกายหักรู้สึกใจบ่อยๆใจของเราชอบเผลอใครรู้จักเผลอไหมมีใครรู้จักไหมถ้าเด็กรู้เด็กรุ่นใหม่จะไม่รู้จักคําว่าเผลอรู้จักเมอเมอมอะไรรู้จักเมอเมอไหคําว่าใจลอยนะเด็กไม่รู้จักแล้วนะคําว่าใจลอยศูนย์ไปแล้จากประทานมุขรวม เด็กรุ่นใหม่จะรู้จักแต่ว่าเมอเม่ออเงมื่อเมนั่นะละขาดสติละในขณะที่เราเหมื่อไปเราก็ไปคิดเรื่องโน้นคิดเรื่องนี้เราลืมกายลืมใจไปเองวันหนึ่งวันนึงเราเอาเวลาไปเหม่อเยอะนั่นคือเราขาดสติเยอะ น, ะนั่นเองขาดสติงั้นถ้าอะไรเราเหม่อไปเราใจลอยไปเราเผลอไปแล้วเรารู้ทันว่ามันเหม่อไปละมันใจลอยไปละสติจะเกิดเองนะคือเมื่อไร่มันไม่เผลอมื่อไรมันก็รู้สึกนั่นแหละ เพงั้นหักเสื่เกลืความเผลอไว้ความเมอความใจลอยผมก็เคยเห็นอาจารย์สุรวัตรเมื่อกี้ก็เห็นแ ล, แล้วตอนนั่งอยู่นิดสุรวัตรเขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งนะเรื่องอะไรนะรู้ตื่นรู้ตื่นเหบิกบานทั้งเล่มมีแต่เรื่องรู้กับเผลอใครยังไม่มีก็ไปขอเขานะเอาไปอ่านดูแล้วไปลองดูวันหนึ่งวั น, นึงเผลอทั้งวันเนะี่ยในโลกนี้ไม่มีคนไม่เผลอนะแต่ไม่มีคนรู้สึกตัวหรอก หลวงพ่อพูดอย่างนี้หลายคนไม่เชื่อแต่ถ้าฝึกไปช่วงหนึ่งจนสติเกิดเองแล้วจะรู้เลยว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเผลอตลอดคนที่ไปเรียนจะหลวงพ่อที่ไปเรียนหลายๆครั้งหน่อยนะส่วนมากเรกลับมารายงานการปฏิบัติเนี่ยจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้ปฏิบัติแต่อะไรเกิดขึ้นในกายอะไรเกิดขึ้นในใจมันรู้เองสติระลึก ข, ขึ้นเองสติที่เระลึก ข, ขึ้นได้เองนี่แหละสติเกิดเอง สติที่จงใจกําหนดเนีรรร่ยสติตัวปลอมจงใจกําหนดแล้วจิตจะแข็งแข็งหนักหนักแน่นๆ่นซึมซึมทื่อเมื่อไรจิตหนักจิตแน่นจิตแข็งจิตซึมจิตทื่อเนี่ยจิตเป็นอกูสนแน่นอนถ้าสติตัวจริงเกิดแนะใจจะโปร่งโล่งเบาสบายรู้เนื้อรู้ตัวนะจิตใจอยู่กันเดื้อกันตัวไม่หลงไม่เตลอไปมีแต่ความสุขนะแค่มีสติก็มีความสุขแนละ้วมีคนมารายงานทุกวัน่ะ พอาอยู่ๆก็มีความสุขโชยให้นมาโชยแผ่วๆขนะึ้นมาพอรู้สึกตัวปุ๊บความสุข ก, ก็โชยขึ้นมาลนะทาไมเป็นอย่างนั้นเพราะจิตเนี่ยธรรมชาติของมันนะมันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ถ้าเราเอากิเลสไปทับผมมันต่างหากล่ะมันเลยไม่รู้ตื่นเบิกบานมันก็เหี่ยวเหีแห้งๆหนักๆนกแน่นๆแข็งๆซึมๆชื้นๆไปอย่างนั้นเองแต่ถ้าเรารู้ทันสภาวะธรรมนะเช่นใจลอยเรารู้ว่าใจลอย แต่เราเผลอผิดคิดรู้เผลอผิดคิดอย่างเงี้ยแล้วจะตื่นขึ้นมาในฉับพลันเเพราเราตื่นปับนะ๊บเนี่ยใจจะโปรโลง่ลงเบาทันทีนะสงบสะอาดสว่างรู้ตื่นเบิกบานจะเกิดในอันตโนมัติเลยแต่พอตื่นขึ้นมาแวบหนึ่งเนะี่ยเราก็ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาความตื่นด้วยแต่เดิมเราเผลอทั้งทั้งปีทั้งชาติเผลอตั้งแต่ตื่นจนหลับเผลอตั้งแต่เกิดจนตายเราจะไม่รู้สึกตัวว่าเราเผลออยู่เราจะรู้สึกว่าเรารู้สึกตัวอยู่แล้ว คล้ายแต่ว่าสมมตินะในห้องนี้ทุกคนรวมทั้งหลวงพ่อด้วยเป็นคนชั่วเราชั่วทุกคนชั่วเท่ากันเชื่อไหมในห้องนี้จะไม่มีคนชั่วจะมีแต่คนดีเหมือนกันหมดเลยเกิดท่านอาจารย์มหาประจวบประดีขึ้นมาคนหนึ่งพวกที่เหลือรวมทั้งหลวงพ่อด้วยชั่วหมดเลยนึกออกไหมการที่เราหัดมีสติก็ด้วยเหตุผลันเดียวกันนี้แหละแต่เดิมเราไม่เคยรู้สึกตัวว่าเราหลงเราเผลอตลอดเวลาเพราเราไม่เคยรู้สึกตัวเลย แต่พอเราฝึกนะเราฟังธรรมะเราสังเกตสภาวะจิตใจเราตื่นขึ้นมาชัวา่วขณะตื่นแป บ, บเดียวนะตื่นได้ทีแบบ่เราแป๊บเพอเราตื่นขึ้นมาแปบบ๊บเราจะรู้เลยเราหลงมาตลอดชีวิตเลยแล้วเราฝึกต่อไปอีกเราต้องตื่นบ่อยๆตื่นขึ้นมาตื่นเป็นระยะๆถามว่าตื่นถาวรได้ไหมไม่ได้นะความตื่นก็ไม่เที่ยงสติก็ไม่เที่ยงเกิดแล้วดับเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกเลยเรารู้สึกตัวได้กี่เราแป๊ บ, บเดียว แล้วก็จิตก็จะหลงไปบ้างรู้สึกขึ้นซ้ําขึ้นมาบ้างะเอาแนอ่นอนไม่ได้แล้วจิตเป็นของบังคับไม่ได้ะจะรู้สึกตัวหรือจะเผลอบังคับไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกอย่างนี้ต่อไปปัญญามันเกิดเราจะเห็นเลยจิตที่เผลอไปจิตที่ลงไปห้ามมันไม่ได้จิตที่รู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกไม่ได้รู้สึกแล้วก็รักษาไปไม่ได้จิตทั้งหมดนี้ไม่เที่ยงจิตทั้งหมดนี้บังคับไม่ได้นี่ปัญญาแท้จริงอยู่ตรงนี้ต่างหาก กัญญาแท้จริงไม่ใช่อยู่ที่ฝึกให้รู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวเป็นแค่ทางผ่านเป็นเรือเท่านั้นเนองนะเป็นทางผ่านเป็นทางผ่านเพื่อให้เห็นว่าความไม่รู้สึกตัวก็ไม่เที่ยงความรู้สึกตัวก็ไม่เที่ยงเพนะนเวลาเรียนธรมรมะเราจะเรียนเป็นคู่ๆนะเพืจะได้เห็นความไม่เที่ยงเช่นเราดูจิตที่กโกรธกับ จ, จิตไม่โกรธจิตรู้สึกตัวกับจิตที่เผลอไปดูเป็นคู่ๆจิตมีราคะ ก, กับไม่มีราคะใครดูเผลอไม่เป็นนะขี้โมโหวันหนึ่งขี้โมโหบ่อย เราดูจิตมีโทสะแต่จิตมไม่มีโทสะก็ได้เราจะพบว่าทั้งวันเนี่ยจิตมีสองแบบมีจิตที่โกรธแต่จิตที่ไม่โกรธมีสองอย่างทั้งนั้นนะเนี่ยเราดูไปเราก็จะเห็นเลยจิตที่โกรธก็ไม่เที่ยงจิตที่ไม่โกรธก็ไม่เที่ยงเกิอดดับเกิดดับพอ ร, รู้อย่างนี้จะเห็นเลยจิตทั้งหมดไม่เที่ยงเห็นอย่างนี้ต่อไปเราจะได้ธรรมนะะนี่เห็นความจริงของจิตคำพางการเห็นความจริงของการก็ดีเหมือนกัน แต่ถ้ายังไม่รู้ว่าจิตไม่เที่ยงก็งยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่หลวงพ่อชอบมากเลยหลวงปู่ล่าปู่เจ้าพ่อนะหลวงปู่ล่าปูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ของพวกเราหลายคนท่านสอนดีนะว่าใครเห็นว่าจิตผู้รู้เที่ยงนะใครเห็นว่าจิตเที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐนะิสอนจริงขนาดนี้เพราะอะไรก็รมันไม่เที่ยงนะขันห้าไม่มีเที่ยงนะขันห้ามีแต่ไม่เที่ยงแต่เราเรียนจนเห็นความไม่เที่ยงแล้วเลยปล่อยวางได้ เารพลุกพุกอยู่ที่ปล่อยวางไม่ใช่พลุกพลุกอยู่ที่ทําให้มันเที่ยงฟังรู้เรื่องไหมฟังหลวงพ่อนะต้องฟังแบบพระนะทุติยปีตติยปีนะฟังหลายหลายทีฟังครั้งหนึ่งจะให้รู้เรื่องมีเหมือนกันแต่น้อยเคยมีคนหนึ่งมาจากอเมริกาเขาขาไม่ค่อยดีนะตัวเขาก็ป้อมปอมขาก็าไม่แข็งแรงเดินต่อแต่ตอแต่ไปหาหลวงพ่อที่เมืองกาญจนั้นอยู่เมืองกาน นุ่งกางเกงขาสั้นมานะครับพวกก็เอาเก้าอี้มาตั้งให้กลางศาลาเดินต่แต่มาถึงนะยังไม่นั่งเก้าอี้เลยยกมือไหว้ทีหนึ่งชี้หน้าตัวเองบอผมอ่านวิมุตติปฏิปทาที่ท่านเขียนทางอินเทอร์เน็ตอ่า น, นที่อเมริกาที่ผมปฏิบัติอยู่นี้ถูกหรือไม่ถูกแหมถามแบบที่เด็ดเลยถูกไม่ถูกผมก็บอกไม่ถูกหรอกเรายังทําอยู่เข้าใจแล้วก็้าใแล้ ว, ล ว, ล ว, ลวดคําถามน่ะ เข้าใจหัหย <c oughs> ไม่เข้าใจคือเรายังทำอยู่ส่วนมากเรายังทำเราคิดว่าการปฏิบัติแปลว่าทาการปฏิบัติจริงๆแปลว่าเข้าไปรู้เฉพาะเอา ไ, ไม่ได้แปลว่าทาําัตติแปลเฉพาะเขาไปเห็นเฉพาะหน้าเข้าไปรู้เฉพาะหน้ามีคนไทยไปยืมคำว่าปฏิบัติมาแปลว่าทำก็เลยทำกันใหญ่เลย ความจริงเข้าไปรู้เฉพาะหน้ารู้ลงปัจจุบันไปรู้กายลงเฉพาะหน้ารู้ใจลงเฉพาะหน้าไปรู้เฉพาะรู้ลงไปในที่สุดปัญญามันก็เกิดนรู้บ่อยๆมันก็เข้าใจอย่างสิแต่ส่วนมากเราชอบทำคือไปบังคับกายบังคับใจให้แข็งแข็ๆนะอัตตถาท่านสอนดีนะบอกว่าให้ที่ทำท ำ, ท, ำทั้งหลายเวลาปฏิบัติเนะทําอัตตะกิลมัฏฐานโยคบงังคับตัวเองเท่านั้นนะ่ะรู้สึกไหมเวลาคิดถึงการปฏิบัติก็บังคับกายบังคับใจมีแค่นั้นแหละไม่มีเกินนั้นไปได้หรอกนะ แล้วก็ผิดซ้ำซากวนเวียนกันอย่างนี้เหมือนบนรรพบุรุษเหราที่ผิดมาแล้วเป็นพันพันปีนะเพราะตําราคัมภี์นี้แต่งมาเป็นพันพันปีแล้วแล้วก็ผิดเหมือนเดิมนะธรรมะ ม, มันของเกา่ากิเลสก็เกา่าเก่าธรรมะก็ของเกา่าแล้วก็โดนหลอกอย่างเก่านั่นแหละแล้วถ้าเรียนธรรมะแบบเกา่าๆแนละ้วก็โดนหลอกต่อไปเรียนธรรมะเราเรียนเข้ามาถึงจิตถึงใจจะรู้ทุกแจ่มแจ้งถ้าจะพ้นได้ คอยรู้ทุกข์รู้กายรู้ใจสําคัญนะพระพุทธเจ้าท่านถึงขนาดบอกว่าถ้าตัวท่านได้รู้แจ้งอริยสัจมีวนรอบสามมีปริวัติสิจะไม่ปฏิญาณตนเป็นพระพุทธเจ้าหรือถ้าท่านไม่รู้ทุกข์สมูทยัยนิโรธมรรคไม่รู้ว่าทุกข์เนี่ยต้องรู้สมูทยัยต้องละนิโรธทําให้แจ้งมรรคทําให้เจริญไม่รู้ว่าท่านได้รู้ทุกข์แล้วได้ละสมูทัยแล้วทํานิโรธแจ้งแล้วทำมรรคให้สมบูรณ์แล้ว รวมทั้งหมดเป็นสิบสองหัวข้อถ้าไม่มีสิสองหัวข้อนี้ท่านไม่บอกว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้านั่นอริยาาสัจสําคัญที่สุดนะหัวใจของธรรมะเลยครอบคลุมธรรมะทั้งหมดที่เหลือทั้งฝ่ายเกิดและฝ่ายดับสามเดือนสุดท้ายก่อนปรินิพพานพระพุทธเจ้าเทศอริยสัจแอบทุกวัน ใครมีหนังสือสามเดือนก่อนปฏินีพพานหลอได้กาวว่าแจกที่สาราหลงคินนี้ประจาอยู่แล้วเดี๋ยวก็มีคนแจกเดี๋ยวก็มีคนแจก้ะบางคนมีทั้งหลายเล่มแล้วก็ยังชอบเก็บไว้นะถ้ามีเยอะนักก็แจกคนอื่นเขาบ้างนะหนังสือหลวงพ่อเหมือนกันบางคนมีทุกเวอร์ชั่นเลยเล่มเดียวกันนะมีหลายแบบหลายปกนึกเก็บไปทำอะไรแจกแจกเขาไปบ้างนะนี่อริยสัจสําคัญตัวที่หนึ่งรู้ทุก รู ก, กายรู้ใจตามที่เขาเป็นนะมีเท่านี้ธรรมะ ม, มีเท่านี้นะะใครจะคุยอะไรเชิญหรือใครจะกลับบ้านก็เชิญหลวงพ่อเคยได้ข่าวว่าสารานุสินเนี่ยเขาฟังเทศเพียง20นาทีส่วนมากว่างไงนะโยม ทำไมนะโยมไม่แจมแจ้งอักขุสนุนเรือ่อวิธีจะแจกแจ้งอักขุสุนแจมแจ้งอักขุสนุนนะต้องคอเห็นตัวจริงของมันคอยดูจากของจริงก็ได้ไม่ต้องถามอาตมารหรอกนะดอจากของจริงอย่างความโลภความโกรธความหลงขุดขึ้นมาโยมไปดูเลย อ, นะอย่างเวลาความโกรธขุดขึ้นมาแล้วก็รู้ทันว่าออกโกรธแล้ว พอเราเห็นความโกรธเกิดหลายๆที future, the take, ่เราจะเข้าใจนะความโกรธมีลักษณะเป็นอย่างนี้เองเกิดมาเพราะเหตุนี้เกิดมาแล้วมีผลเป็นอย่างนี้เราจะเข้าใจอกุศลทีละตัวทีละตัวนะเวลากุศลเกิดเราก็คอยดูไปเราก็จะเข้าใจกุศลทีละตัวทีละตัวตามรู้ตามดูมากๆเข้าเราก็จะพบเลยกุศลเกิดแล้วก็ดับอกุศลเกิดล้วก็ดับแต่ว่าเบื้องต้นนะต้องมีศีลก่อนเดี๋ยวอยาตามอกุศลสัตว์ มีศีลหัดทำกุศลทำทานศีลสมาธิปัญญาอะไรนี้ทำไปเรื่อยเรื่อยจนมานึงปัญญามันแจ้งทั้างกุศลท่าน่ากุศลเรื่อง่ของไม่เที่ยงของสนอยู่ไม่ได้ะใจจะปล่อยนะมันไปได้โลกุตตะรกุศลแทนกุศลเหมือนกันนะแต่เป็นโลภุตตะรกุศลเพราะจิตใจของคนเราเนี่ยมันจะปรุงกุศลบ้างปรุงอากรุศลบ้างไม่รู้จักจบจบโดยเฉพาะกุศลเกิดบ่อยอากรุศลที่เกิดบ่อยคือโมหะ โมหะที่เกิดบ่อยก็คือความฟุ้งซ่านของจิตจิตเราจะคอยฟุ้งไปเด้วยคอยคิดโน่นคิดนี่ลืมเนื้อลืมตัวตัวนี้เกิดบ่อยแล้วก็คอหัดรู้ไว้ใจเราเผลอไปแล้วคอยรู้นะใจเราฟุ้งไปแล้วคอยรู้รู้บ่อยๆนะอภูศณประเภทโมหะเนี่ยเป็นสภาวะธรรมที่เกิดบ่อยที่สุดคอดูจากเขาจริงก็แล้วกันเนาะให้บรรยายหัวงพ่อก็บรรยายไม่เป็นหรอกนะต้องถามพระปฏิยักษ์สนะั้นเนาะ กางพัฒนาครับคืออยากจะจก่อตามเป็นข้อพ่อที่ขับในแบบอิสระิล้วที่อาจารย์เยเยบอกว่าเวลาเร า, เ า, ารู้รู้กล้ารู้ใจบางครั้งเนี่ยที่เราเพือยู่ที่ว่าเป็นโยมโตหรือการเครื่องมื่การให้พลังงานศีลบางคั้นเราก็เพื่ออ ะ, ะไรว่าทราจะเห้นกายเห็น แล้วเราก็เรกเราู้อากได้หล่อช่วแยกให้ที่จริงว่าหลวอรู้ว่าหลวงอยู่แ่หลวงพ่อรู้กับเพ็นประมาเป็น่าแล้วรู้กับเพ่งนะเป็นสภาวธรรมที่ถ้าเรียนทีละคนสองคนนี่เรียนง่ายนะเราลองหักเพ่งดูโยมลองเพ่งหัวไม่มือเตียงลองดูซิเอาหัวไม่มือเตียงแล้วเพ่งยูเพ่งให้ใจจดจ่อเข้าไปเลยลืมหลงพ้อไปเลยให้ใจไปเกาะนิ่งๆอยู่ ถ้าใจเราไหลเข้าไปแช่นิ่งๆอยู่เนี่ยใจอย่านิ่งๆนะคืดๆนะอันนี้คือการเพ่งส่วนการรู้เนี่ยมันสักว่ารู้เหมือนเราดูอยู่ห่างๆคือการรู้กับการเพ่งเนี่ยมันผิดกันตั้งแต่จุดตั้งต้นนะนะการรู้เนี่ยสติเกิดขึ้นเองไม่ได้จงใจการเพ่งเนี่ยมีโลภะเจตนาเป็นจุดตั้งต้นอยากปฏิบัติแล้วก็เข้าไปเฝ้าเอาไว้จุดตั้งต้นก็ไม่เหมือนกันอาการของจิตที่เกิดขึ้นก็ไม่เหมือนกัน เวลาเราเพ่งเนี่ยจิตเราจะไหลลงไปรวมอยู่ที่อารมณ์มันนั้นเวลาเราสักว่ารู้เนี่ยคล้ายๆเราดูอยู่ห่างๆเห็นกายนี้เหมือนคนอื่นเห็นใจนี้เหมือนคนอื่นเราดูอยู่ห่างๆผลที่เกิดขึ้นก็ไม่เหมือนกันถ้าเราเพ่งเนี่ยใจจะหนักหนักแน่นแน่แนแข็งแข็งซึมซึ ม, ซมทื่อๆถ้าเรารู้นะใจจะรู้ตื่นเบิกบานสงบสะอาสว่านะเพราะงั้นมันคิดกันตั้งแต่จุดตั้งตน้นยกให้ดูเอานะคือจํานวนพวกเราเยอะเกินกว่าจะเรียนสภาวะอีละคน แล้วเวลาติ่งโรานี้นะครับว่ า, าถ้าเรามองสิ่งที่เคลื่อน ไ, ไหวเนี่ยเราคิดว่าเป็นนิสิตจะถูกยมสังเกตนิดนึงถ้าเรารู้ตัวถูกต้องจิตจะต้องเป็นกูศนจิตที่เป็นกูสนเนี่ยะจะมีลักษณะอันหนึ่งเขาเรียกว่าละหูตาเบาถ้าเราไปดูอะไรอันหนึ่งแล้วจิตเราหนักหนักเนี่ยอักูศนแน่นอนอันนี้ผิดแน่นอ น, นจิตที่เป็นกูศนมีมุตุตาหนุ่มนวล ถ้าเราไปดูอารมณ์มันหนึ่งแล้วจิตไม่นุ่มนวลแต่แข็งแข็งขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่รู้แล้วล่ะเป็นอกุศลกันล่ะจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมีกรรมัญญาตาควรแก่การงานไม่ถูกกิเลสไม่ถูกนิวรณ์ครอบงำถ้าขณะนั้นเรายังอยากรู้อยากเห็นอยากปฏิบัติอยู่เนี่ยังถูกกิเลสครอบงำอยู่จิตที่เป็นกุศลมีปากุนตาคล่องแคล่วว่องไวแ้าจิตเราซึมๆมทื่อๆนะเป็นอกุศลแน่นอนยกตังเกตที่สภาวะที่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าจิตเป็นกุศลหรืออกุศล มันมีเครื่องพิสูจได้นะครับก็เรืองววามรูยาทเลคเราไม่ใช่ผ้อ่ังแต่เราเย็จแนใช่ใช่ก็ไม่เป็นไรนไ้เราคุ้นเคยกับการเรียนด้วยการอ่านด้วยการฝังด้วยการคิดนะ การอ่านการฟังการคิดและการอ่านการฟังเนี่ยเรารับถ่ายทอดประสบการณ์ของคนอื่นสิ่งที่เราได้จริงๆคือความจำนะเราจําได้ว่าเขาพูดว่าอย่างไงการที่เราคิดคิดเอาเองเนี่ยสิ่งที่เราได้คือความคิดความจํากับความคิดอาจจะไม่ใช่ของจริงอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ ไ, ไม่จริงมันมีวิธีเรียนรู้อีกอย่างหนึ่งเรียกว่าการภาวนาการภาวนาคือการเข้าไปเปิด จ, จักรเข้าไปสังเกตการเข้าไปเห็นสภาวะอันนั้นจริงๆ วิทยาศาสตร์ก็ใช้อันนี้นะการภาวนาเนี่ยหมายถึงการที่เราเข้าไปเผชิญกับสภาวะการจริงๆเช่นเราเข้าไปรู้ร่างกายจริงๆรู้จิตใจของเราจริงๆคอยรู้ของจริงนะรู้มากเข้ามากเข้าปัญญามันเกิดนะแต่ว่าขณะที่เราไปรู้กายขณะที่เราไปรู้ใจเนี่ยยาเาความคิดเข้าไปใส่มันจะเกิดไปแอดเหมือนเราจะทําวิจัยอะไรสักเรื่องหนึ่งเนี่ยต้องขอดถอนใบแอดสอนะักฟันแล้วไปสังเกตปรากฏการณ์จริงๆ เนี่ยภาวนาคือการเข้าไปสังเกตต่อกฎการจริงของกายของใจแต่บอกอย่าไปหลงอยู่ในความคิดนะส่วนที่บอกว่าให้ดูรู้ความรู้สึกนั้นน่ะหมายถึงการรู้นามธรรมความรู้สึกโลภรู้สึกโกรธรู้สึกหลงให้เรารู้ความรู้สึกของเราจริงๆนะไม่ใช่ไปคิดเอาว่าตอนนี้โกรธหรือไม่โกรธความรู้สึกโกรธขึ้นมาเราต้องไปรู้เอารู้สึกเอารัความรู้สึกประมาณนเป็นความรู้สึกไม่รู้ได้ไงว่าแบบนี้แพ้มันไม่ได้อร มันหลอกหรือมันจริงก็มันก็หลอกด้วยกันทั้งหมดเราจะเรียนจนเห็นว่าของจริงไม่มีอะไรทุกอย่างเกิดระดับทังสิ้นหลวงพ่อยกตัวอย่างนะสมมติเราภาวนาอยู่อยู่ๆเราเห็นเทวดามานั่งเป็นแถวเลยถ้าเราสงสัยว่าเทวดาจริงหรือเทวดาปลอมนี้เราถูกหลอกหละแต่จริงเทวดาจริงหรือเทวดาปลอมไม่มีความสําคัญอะไรในขณะนั้นก็คือรูปบางอย่างปรากฏขึ้นมาต่อไปรูปอันนั้นก็หายไป หรือว่าถ้าเราเห็นเทวดาแล้วใจเกิดยินดีคูเก่งขึ้นมานะรู้ทันคูเก่งนี้ก็ดับไปเขาจริงกับเขาปลอมพอๆกันนะและเราไปดูเข้ามาที่ใจเราเพื่อให้เห็นว่าทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาล้วนแต่ด่างสิ้นเ้องการแค่ น, นี้ไม่ได้ต้อง ก, การความฉลาดรอบรู้อะไ ร, ไไระอที่าไม่ได้มีอะไรเราต้องการให้เห็นว่ามันไม่มีสาระมันไม่มีแก่นแท้ถูกต้องนะ เราต้องการเหตุอนัตตายมันไม่มีแก่นแท้ต้องเลยไม่ได้เรียนเพื่อจะเอานะเรียนแล้วรวังได้ฉลาดเนาะรู้ว่าเรียนแล้วเห็นมันไม่มีแก่นารยเพ่อเนาะที่อสอเว่าให้เราทำเรนเหรือปฏิบัติอย่างไรตให้สบายทีนเแต่นี้แนวทางปฏิบัติที่ ที่หลวพอ่พอช่ว่าให้เราให้เรารู้ทนี่เราจะไปเพ่งทีนี้ที่เราปราเดินเนีเเ่ยคิดว่าเราจะไปการเพ่งเราไปต้องปรบเปลี่ยนในการครับคือตัวอารมณ์เนี่ยไม่ใช่ตัวอารมณ์ที่จิตไปรู้เข้าเนี่ยไม่ใช่ตัวสําคัญเท่าไหร่หรอกนะการที่เราหัดทับกรรมฐานที่หลวงพ่อบอกว่าใครเคยชินที่จะทํากรรมฐานอะไรก็ใช้กรรมฐานอย่างเดิมแตบบ่ทาไปอย่างเดิม เคยรู้ลมหายใจก็รู้ไปเคยรู้ท้องฟองยุบก็รู้ไปนะมันใช้ได้เหมือนกันหมดแต่ว่าสิ่งที่ปรับขึ้นมาก็คือการหัดรู้สภาวะเช่นเราเคยรู้ลมหายใจแล้วก็ใจเคลิ้มไปอันอย่างนี้ไม่เอาเราก็มารู้ลมหายใจแล้วก็จิตนี้แอบไปคิดเรื่องอื่นเรารู้ทันจิตไปเพ่งลมหายใจเรารู้ทันจิตมีปีติมีสุขเราก็คอยรู้ไปหัดรู้สภาวะนะการหัดรู้สภาวะเนี่ยทกรรมฐานอื่นๆก็ทาได้ เช่นเรดูท้องของยุบแล้วจิตหนีไปเราก็รู้ทันจิตไปเพ่งทองก็รู้ทันจิตเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นปุสสนะปุสสนก็รู้ทันลหลวงพ่อที่พูดเรื่องนี้เพราว่าไม่อยากให้พวกเราทะเลาะกันระหว่างสำนักนะสำนักไหนดีกว่าสำนักไหนคือถ้าทำสูกแล้วมันไปด้วยกันได้สติที่เกิดขึ้นก็เป็นสติอย่างเดียวกันปัญญาที่เกิดขึ้นก็เป็นปัญญาอันเดียวกันปัญญาก็คือรู้ความจริงของกายของใจนี่แหละ เห็นเบื้องต้นใครถนัดอะไรก็ทามันนั้นแต่ถ้ากรรมฐานเดิมที่ทาอยู่อึดอัดนะทำแล้วอึดอัดแสดงว่าไม่เหมาะกับเราไม่เหมาะกับจิตนะลองหากรรมฐานอื่นดูกเรียน่าเรียนวิธีนคือถา่อว่า้มีสในวันร่าเวลาบเออก็รูว่าอย่างยเหนเอลนว่าถ้าเรายเรืนๆ คือการปฏิบัติมีสองอันนะสมถะกับวิปัสนาสมถะเนี่ยจิตไม่สงบทําให้สงบจิตไม่ดีทําให้ดีมีประโยชน์ถ้าจิตเราสงบจิตเราดีจิตเราตั้งมัน่นเราก็ดูง่ายแต่ว่าจะดูเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยอยู่ที่อีกเงื่อนไขห น, นึ่งสติจะเกิดหรือไม่เกิดสติไม่ได้เกิดจากสมถะนะ สติเกิดจากการที่จิตจําสภาวะได้เพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราทําสมถธิเนี่ยเราทำได้แบบสองแบบมีสอแบบอันหนึ่งสมมติเราหายใจอยู่แล้วจิตใจเราฟุ้งซ่านเราก็ไปจับไว้ที่ลมหายใจทําสมถธิให้สะบัดใจนะอีกอันหนึ่งเรารู้ลมหายใจไปแล้วเร า, าสังเกตสภาวะไปเช่นะหายใจไปหายใจไปคิดแอบไปคิ ด, คดแล้วรู้ถันและจิตเป็นคิด หายใจไปแล้วจิตสงบกรู้ว่าสงบรู้ต้านรู้ว่าฟูงต้านหายใจแล้วจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยฝึกอย่างนี้ฝึกรู้สภาวะพอเรารู้สภาวะมากๆแล้วสติในชีวิตประจำวันจะเกิดขึ้นนะเพราะสติเนี่ยเกิดจากการที่จิตจําสภาวะไดนะ้คนละอันกันนะสติไม่ได้เกิดจากสมาธิแต่ว่าจิตที่มีสัมมาสมาธินี่เป็นเหตุให้เกิดปัญญาเนะนเกลือกหุ่นในคนละตัวกัน คอตั้นของเการนั้นคือของเราจะทราบองจากว่ามันเป็นความคิดจะเคือทันทีที่สติตัวจริงเกิดเนี่ยมันเริ่มจเจริญวิปัสสนาได้แล้วมันเริ่มเลยเช่นเราใจลอยอยู่ใจลอยมาสามชั่วโมงแล้วเกิดเราลุกขึ้นได้มีสติขึ้นมาเราจะเห็นเลยว่าความเผลอนั้นดับไปแล้วเกิดความรู้สึกตัวที่แทนในความเผลอไม่เที่ยง แต่เห er so so, so, so, so so sure ็นทีแรกใจมันยังไม่สรุปหรอกต้องเห็นบ่อยๆวันหนึ่งก็ใจมันสรุปทุกอย่างไนเที่ยงสัญญาสัญญาเนี่ยท่านเบ้นเอาไว้ก่อนเป็นของที่ดูยากที่สุดนะ เะสัญญาเนี่ยจะไปอยู่ในธรรมานุปนะัสสนาตัวนี้ล่าได้ก่อนบางคนไม่เข้าใจมันไปแตแปกแต่งมันนะเพีย้ยนสัญญาเพี้ยนไปเลยนะอย่างสังขารเนี่ยดูง่ายสังขารเช่นความรู้สึกโกรธเนี่ยความรู้สึกโกรธของคุณเที่ยงไหมเคยโกรธตลอดชีวิตไหมไม่มีนะเนี่ยคือความไม่เที่ยงของเขาใช่ใช่ ดูจิตจริงๆคือดูจิตต์สังขารเพราะงั้นในจิตในจิตตานุปัศนาถ้าจะพูดถึงจิตที่มีราคาจิตไม่มีราคาเป็นจิตที่ประกอบด้วยสังขารทั้งหมดเลยแต่พอถึงธรรมานุปัฏนานเนี่ยถ้าเรียนขันธ์ห้าถ้าเรียนถึงวิญญาณขันธ์อันนี้ไม่ใช่จิตที่ประกอบด้วยสัง่างๆนะจะเป็นธรรมชาติของจิตจริงๆที่เกิดดับตัณฑ์หูจมูกลิ้นกายใจดันั้นการดูจิตเราดูได้สองอันอันนึงดูสังขารดูจิตต์สังขารเช่นเรารู้ทัน จิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์นะอันนี้เป็นดูเวขนาเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ชั่วอันนี้ดูสงขัญอีกอย่างหนึ่งเราเห็นจิตเกิดขึ้นทางตาดับทางตาจิตเกิดที่หูดับที่หูจิตเกิดที่ใจดับที่ใจอันนี้ไปอยู่ในธรร ม, มานุปัสนากละ่มหมวดกันอันนี้ดูลำบากนิดหนึ่งวิญญาณก็คือจิตที่เกิดดับทางตาทางหูนี่แหละ วิญญาณไม่ใช่ผีนะเป็นวิญญาณหมายถึงความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นอย่างนี้<า>ดูดูอย่างนี้สิอย่างนั่งฟังหลวงพ่อพูดรู้สึกไหมเดี๋ยวก็มองหน้าหลวงพ่อหน่อยหนึ่งเสร็จแล้วหน้าหลวงพ่อก็เลือนเลือนแต่ไปตั้งใจฟังหลวงพ่อพูดฟังนิดเดียวก็ไปคิดดวกไหมฟังแราคิดไม่ได้ฟังอย่างเดียวดูออกหรือยังว่าฟังไปคิดไป นี่แหละคือจิตที่เกิดทางตาจิตที่เกิดทางหูจิตที่เกิดทางใจเป็นจิตที่เกิดทางตานะเกิดทางลักษณะจิตเดียวแว บ, บเดียวนะถ้าคนไหนมีสติจริงๆเนี่ยหลวงพ่อจะท้าให้มองหน้าหลวงพ่อนะจะมองหน้าหลวงพ่อได้ชัดแว บ, บเดียวแล้วหน้าหลวงพ่อก็จะเบลอๆไปรู้สึกไหมลองจ้องหน้าหลวงพอดูรู้สึกไหมมันเห็นชัดได้นิดเดียวแล้วมันไม่ค่อยชัดมันต้องดูใหม่ดูใหม่ถึงจะชัดใหม่ อันนี้ไม่ใช่ปาฏิหารนะเราไปดูหมาดูแมวก็จะเห็นอย่างนั้นเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะจิตมันเกิดแล้วมันดับจิตเกิดที่ตาก็ดับที่ตานะจิตเกิดที่หูดับที่หูจิตเกิดที่ใจก็ดับที่ใจแต่ตอนนี้จิตไปทางใจทราบไ้ยจิตไปคิดนะจิตไปทางใจขณะที่จิตไปทางใจเนี่นะ้มีตาก็เหมือนไม่มีนะดูอะไรไม่ชัดมีหูก็เหมือนไม่มีฟังอะไรไม่ชัดดูออกมยยังว่าฟังไปคิดไป อัดูอย่างนี้ถึงจะเห็นจิตเกิดดับเกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูอันนี้เป็นการดูตัวจิตตรงๆนะเป็นธรรมานุปัสสนาเป็นการดูตัวสภาวะธรรมตรงๆแต่จิตตานุปัสสนาง่ายกว่า น, นั้นหน่อยจิตมีราคะจิตมีโทสะจริงก็คือดูเจตสิกมากกว่าดูจิตมันดูง่ายกว่าง้นท่านถึสอนบอกว่าจิตตาลุปัสสนาเนี่ยเป็นกรรมฐานของพวกอินทรีย์อย่างไม่แก่กล้า ธรรมานุปัสสนาเป็นของพวกอินทรีย์แก่กล้าพวกปัญญากล้ากายานุปัสสนาเป็นของพวกไม่แก่กล้าเวทนานุปัสสนาเห ม, ะมาะออกับผู้มีปาาัญญาแก่กล้าเพราะยากกว่าเป็นคู่กับ ก็ปีติมันเกิดได้สองอันนะเกิดจากสมาธิอันหนึ่งอีกอันหนึ่งมันมีปัญญาขึ้นมามนก็มีปีติไดนะ้เพราะฉะนั้นปีติในโพชฌงค์เนี่ยเป็นปีติที่เกิดจากเรามีปัญญาส่วนปีติจากการเพ่งเกิดจากสมาธนะิเพราะฉั้นแต่เดิมปฏิบัติเราเพ่งเงา mm. เพ่งเงาเพ่งท้องเนะี่ยเพ่งเท้าเพ่งท้องจิตเกิดปีติขึ้นมาเราะฉะนั้นปีตก็ถูกต้องแต่พอเรามาหัดเจริญสติเราไม่ได้เพ่งนะ ปีติก็เกิดน้อยแต่ว่าฝึกไปเรื่อยๆนะเราไม่ได้ฝึกเอาปิติหรอกเราฝึกให้เกิดความรู้ความเข้าใจความเป็นจริงของรูปนามจนกระทั่งใจเป็นกลางต่อรูปนามใจที่เป็นกลางต่อรูปต่อนามนี่เรียกว่ามันมีปัญญาในระดับที่เรียกสังขารูเ้เบกขาญาณเขาเป็นกลางนะเขาเป็นกลางเขาก็ไม่ดิ้นรนจิตใจที่ไม่ดิ้นรนเนี่ยก็พ้นความปลุงแต่งเข้าไปสัมผัสมรรคผลนิพพาน นั่นละรู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจจะมีปีติหรือไม่มีปีติช่างมันเถิดไม่ใช่ตัวสําคัญแต่ว่าจิตใจตอนนี้มันเริ่มตื่นขึ้นมาแล้วดีแล้วคือปัญหาว่ามีบงางานคนว่ามีปัญหาสภาพนะคะก็เลยอยากอยากทราบว่าอยากจะมีอะไรอยู่สำคันะก็ภาวนารู้สึกตัวไปนะวันใดจิตมันมีกําลังพอเนี่ยบางทีก็หายป่วยได้นะ ส่วนปีติใช้ค่ายาแก้ปวดนะหล่อเลี้ยงไว้ช่วงขณะนก็จะอากีกเรื่องีาการนเรม่้รเาๆ่ต้องแล้วถ้าอเบาเกาเกิไปเออเาิดไปผิดนะสิ่งนี้ังนิดหนึ่งนะ ถ้าเมื่อไรเราปฏิบัติแล้วจิตหนักหนักแน่นแน่นแข็งแข็งซึมๆึทื่อๆแล้วก็ผิดแน่นอนเพราะว่าจิตที่หนักแน่นแข็งซึมทือเนี่ยเกิดจากอกุศลแต่ถ้าเมื่อไรเราปฏิบัติแล้วจิตเบาจิตมีความสุขเนี่ยไม่แน่ว่าเป็นกุศลหรืออกุศละตอนนี้ไม่แน่นะให้หนักหนัก่ะอกุศลได้แน่แต่เบาเนี่ยไม่แน่ว่าเป็นกุศลไม่เท่ากันนะสองทาง พอตอนที่เราตเราเห็นญาติเเอออันนั้นมันเป็นปีตินะเกิดจากสมาธิก็เกินเกินกว่าเรื่องที่เราใช้ทําวิปัสสนาแต่จะทําวิปัสสนาก็ได้นะเอาองค์ฌานนั่นแหละมาทําวิปัสสนาสังเกตไหมปีติอันนั้นเกิดขึ้นก็อยู่ช่วเคราวที่ตัวเราลอยตัวเราเบาตัวเราโตขึ้นก็อยู่ช่วคราวแล้วก็ดับไปเราเอาองค์ฌานนี่แหละมา มาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้ครับอู่ดู้ามูะหลอร้เข้าเข้าก็มเฉยมเไม่ดีนะเฉยเมไม่ดีจิตใจที่เป็นกุศลจริงๆนัจะรู้ตื่นแล้วก็เบิกบานไม่ไม่ซึมๆไม่เฉยเฉยนะในสมัยพุทธกาลมีคนเข้าไปว่าเชตวัน แล้วก็ไปชมแล้วพระพุทธเจ้ากอกหน้าอัศจรรย์ภิสษูของพระองค์เนี่ยสงบแต่ร่าเริงท่านไม่ได้บอกว่าภิสษูทั้งหลายสงบสุ่นๆนะถ้าถ้าใจมันคุ้งต้านนะก็ทำได้หลายแบบแบบที่หนึ่งทำด้วยวิปัสสนาเห็นว่าความคุ้งต้านก็ไม่ใช่จิตแต่เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอันนี้พอทำได้ไหม ถ้าเล่นสมาธิมาจะมองอย่างนี้ได้อันที่สองมันพุ้งมากนะทําอะไรไม่ถูกทาสมถนะนักปฏิบัติอย่าทิ้งสมถานะจําเป็นทำสมถาให้จิตใจตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตใจตั้งมั่นเราก็รู้ว่าจิตตั้งมั่นเนี่ยจเจริญปัญญาต่อได้ละแล้วสมถาวิปัสสนาไป็องควรทําบางคนนึกว่าหลวงพ่อไม่ให้ทําสมถะไม่ใช่อะไรที่ไม่ค่อยพูดเรื่องสมถาเพราะว่าพวกเราส่วนใหญ่ทําสมถะอยู่แล้ว หลวงพ่อเองทำสมาธาต้แต่เจ็ดขวบนะ้นแทำสมธาธิล้วนๆถึงยี่สิบสองปีคือเมื่เราเปนะครับเปิดจอมปาะแล้วสมาจมาคือจะเรรู้ตัวเองติดหายแล้วก็นิ่งไปเลยนอไปเลยเหรอครับคือแล้วก็รู้ว่าตัวเราคงใจอยู่นีวิตต้องตแต่ถ้าเ ทำแล้วอาจารย์ก็จะก็จะรู้ว่าแสบตาแล้วต้องหายอพที่นก็อาัอ๋ออันนั้นไม่ใช่ว่าเราจเจริญนิพพานอยู่เราเราไปเพ่งกายอยู่ถ้าเราเพ่งกายอยู่ก็เกิดอาการอย่างที่คุณบอกแต่ถ้าเราจะหารูสภาวะนะเราก็ต้องสอมเมาอย่างตกค่ำเราไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิทามสมาธิไม่ได้ทาเอาให้สงบ แต่ทำสมาธิเพื่อหาสังเกตสภาวะเช่นใจเราแอบไปคิดเราก็รู้ใจเราไปเพ่งเราก็รู้ใจเราเป็นยังไงคอยรู้เรื่อยๆต่อไปสติจะเกิดในชีวิตประจำวันแต่ของคุณที่มันเกิดขึ้นนะเพราะว่าเราจงใจไปดูกายพอเราจงใจไปรู้กายมันจลายเป็นการไปเพ่งกายไว้เพ่งไปแล้วเกิดปิติถึงจุดหนึ่งร่างกายหายไปเหลือแต่จิตอันเดียวพอจิตอันเดียวมันอารมณ์มันละเอียดเกินไปสติตามไม่ทันก็หายไป ไหนก็ไหนไหนละเรสัมาสมาธิต้อง่าเยค่าสมาเป็นความตั้งมั่นของจิตจิตอยู่กับเนื้อกับตัวแต่พอมันมีความตั้งมั่นของจิตเนี่ยมันก็จะเห็นความจริงของกายของใจได้ก็เกิดสัญญาส่วนตัวสตินี่เป็นตัวระรึกได้ร่างกายเคลื่อนไหวมันระรึกได้ หรืจิตใจเคลื่อนไหวมันระลึกได้เช่นใจราลอยไปพอใจราลอยไปนี่เรียกขาดสติพอระลึกได้ว่าเมื่อกี้ใจลอยตรงนี้มีสติทันทีที่สัมมาสติเกิดนะสัมมาสมาธิก็จะเกิดขึ้นใจมันจะอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลอยไปละจิตใจพอมันอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมันก็เพื่อให้เกิดปัญญาทําให้เห็นความจริงของตาของใจเนี่ยสติสมาธิปัญญามันทํางานด้วยกันสติอันเดียวเนี่ยเกิดได้ มีสติอย่างเดียวได้ไม่มีปัญญาได้แต่สมาธิต้องประกอบกับจิตผู้ดวงนะจิตอักุสลก็มีสมาธิแต่ถ้าสัมมาสติเกิดสมาธิที่เกิดก็เป็นสัมมาสมาธิไม่รู้ก็้าคนที่มีเวลาสมาธิแล้วไม่มีนะเพราะว่าสติก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเป็นสังขาระดับเนีย่ยเป็นโลกีธรรมเกิดระดับนะ เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่นะถึงท่านแก่ขนาดไหนะท่านก็ไม่ละทิ้งการปฏิบัติท่านยังนั่งสมาธิเดินจงกรมเลยเ็ยมีลูกสิษยเคถามว่าทำไมท่านต้องทำทัานหมดกิเลสแล้วท่านก็ทำเป็นเครื่องอยู่มันของเสื่อมต้องซ้อมเอาไว้เป็นัครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ขี้เกียจเวลาไปอยู่ใกล้ๆนะรุ่งใจเลยผว่าเคยไปอยู่ใลกล้กับหลวงปู่เทศ ท่านให้อยู่ปฏิกรรมเก่าวของท่านปติกรามปัจุบันใหม่มันห่างกันแค่หน้าต่างเท่านั้นเราไม่้เทียงเลยโอ้ท่านเดินท่านคืนเลยนะเราอยากจะนอนจะแย่เลยแล้วท่านก็เดินเดินเดินนะเท่าเดินก็ไม่ค่อยไหวแล้อายุเยอะก็อุตส่าห์เดินเดินจนดึกเลยห้าทุ่มท่านนอนไปแล้วเราก็นอนบ้างนะปีหนึ่งกว่าๆเอาท่านลุกเดินอีกแล้ว